แสดงว่าทุกท่านน้องอยู่ตอนนี้ก็สบายดีเนาะพ่อไปมาหลายประเทศแล้วประเทศนี้น่นาอยู่ดูร่มเย็นดิใครเคยฟังซีดีหลวงพ่อบ้างมีไหมไม่เคยเลยจิตตื่นไหมมันยากนากว่าคนคนนึงจะตื่นขึ้นมา เราตื่นเฉพาะร่างกายแต่จิตใจเราไม่ค่อยตื่นหรอกคนในโลกอาหาคนที่ตื่นเน่ยหายากลืมตาเึ้นมาเาบอกว่าตื่นตื่นใจนฝันตลอดเวลาใจไม่ไปหลงอยู่ในโลกของความคิดหลงอยู่ในโลกของความฝันน้อยคนนะที่จะตื่นขึ้นมาทั้งกายทั้งใจอย่างแท้จริงคำว่ า, าพุทธะพุทโธอะไรพวกนี้นะรปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิก บ, บาน ใจเราต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้มาใหได้ถึงจะเป็นชาติพุทได้รู้อะไรก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวเราก็ตื่นเราหลดออกจากโลกของความคิดความฝันมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงใจที่อยู่ในโลกของความเป็นจริงนะเป็นผู้รู้ผู้ตืนะ่นมันจะเบิกบานในตัวของมันเองนี่ความสุขนะแต่เราไม่ได้ฝึกเอาความสุขแค่นี้หรอกอันนี้เล็กน้อยเกินไป ควาสุขจากการรู้สึกตัวแค่ความสุขของสมาธิขั้นต้นเท่า น, นั้นเองมีความสุขที่ประดิษฐ์นี้ขึ้นไปเรื่อยๆจถึงขั้นเจริญปัญญาให้เราเปชาวพุทธถ้าเราไม่รู้จักการเจริญปัญญาหรือคําว่ามีปรัสนากรรมฐานเรายังห่างไกลความเป็นชาวพุทธที่แท้จริงอย่างลำพังมีเสือเพณีอะไรนี้นะยังห่างไกลความเป็นพุทธนะ เป็นประเพณีอย่างพุทธการทำทานการรักษาศีลการทำทานถือศีลการนั่งสมาธิศา ส, สนาอื่นก็มีสิ่งที่ทำให้ชาวพุทธไม่เหมือนศาสนาอื่นเลยก็คือหลักของการเจริญปัญญาหรือการทำมีปรัช น, นากรรมฐานการทามีปรัช น, นากรรมฐานเนี่ยคือการที่เราหันมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจมาเรียนรู้ความจริงของตัวเอง สิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวเรานะความทุกข์มันก็อยู่ที่ตัวเราเนี่เองเราจะมาเรียนนะจะฝึกฝนตัวเองกรทั่ทงวันหนึ่งนะใจเราถอนถอนความทุกข์ออกไปอย่างเด็ดขาดจะไม่ทุกข์อีกต่อไปแล้วความทุกข์อยู่ที่ตัวเรานี่เองอยู่ที่กายอยู่ทนะี่ใจสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจในรูปธรามรูปธรรมนามธรรมที่มาประกอบกันเป็นตัวเรานี้แหละความทุกข์มันอยู่ในกายอยู่ในใจ น, น, น, นี้ เวลาที่เราจะฝึกฝนจิตใจให้เกิดตัญญาเพื่อความพ้นทุกข์เราจะมาเรียนอยู่ที่การที่ใจการทําทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิก็ทําให้จิตใจเราดีได้เหมือนกันแต่ได้ไม่มากหรอกดีได้ชั่วคราวเดี๋ยวก็ร้ายได้อีกอย่างทำถือศีลนะเดี๋ยวเผลอๆเมื่อไรศีลก็ขาดอีกทำสมาธิสงบได้สักพักเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านได้อีก จะไม่เหมือนเจริญปัญญานะพระพุทธเจ้าท่านยืนยันเลยว่าบุคคลเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาดังน้พวกเราเนี่ยต้องเรียนวิชาของพระพุทธเจ้าที่ชื่อวิปัสนากรรมฐานจนจิตของเราเนี่มันเกิดปัญญามันรู้ความเป็นจริงของรูปนามกายใจที่ประกอบเปนขึ้นมาเป็นตัวเรามันเห็นความจริงของกายของใจนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เป็นของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรา พอเราตอนานะถึงจุดหนึ่งเราเห็นเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเรามันเหมือนเปลือกนะเหมือนถ้าเหมือนโพรงอะไรอย่างหนึง่งที่จิตมาอาศัยอยู่ชว่วครั้งชั่วคราไม่นานร่างกายนี้ก็แตกสลายไปเนียพอใจเข้าใจความเป็นจริงตรงนี้นะใจจะไม่ถูกเพราะว่าร่างกายอีกต่อไปแล้วคนทั่วๆไปพอ ร, ร่างกายแก่เขาก็ใจก็ทุกข์แล้มันยอนไม่ได้คนทั่วๆไปพอ ร, ร่างกายเจ็บป่วยอะนะ ใจก็เป็นถูกข์้วเพราะยอมรับความจริงไม่ได้ว่ามันไม่ใช่เราคนทั่วทั่วไปเนี่ยพอจะต้องตายนะใจก็เป็นทุกอีกแล้วเพราะยอมรับความจริงไม่ได้ว่าร่างกายไม่ใช่เราเป็นสมบัติของโลกเรายืมโลกมาใช้ช่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองเนพระพุทธเจ้าสอนจนือทังเราสามารถเห็นความจริงของร่างกายได้เพราะมันไม่ใช่สมบัติของเราเป็นสมบัติที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วคราวถึงวันหน่งเราจะคืนอใ้โลกไป วันที่เจ้าหนี้มาทวงคืนใจเราจะไม่หวัห่นไหวร่างกายแก่เราเห็นร่างกายแก่ไม่ใช่เราแกร่ร่างกายเจ็บเราเห็นร่างกายเจ็บไม่ใช่เราเจ็บร่างกายจะตายเราเห็นร่างกายจะตายไม่ใช่เราตายอันนี้ไม่ใช่คาพูดเล่ๆนๆลอยๆแต่ถ้าฝึกอย่างที่หลวงพ่อสอนให้สักพักเดียวนาะนก็จะเริ่มเข้าใจตัวเองพวาลูกศิษย์หลวงพ่อส่วนใหญ่พวกใจร้อน ส่วนให่เป็นพวกคนในเมืองนี่แหละใจร้อนใจร้อนกว่าพวกเราหลายคนในนีนะ้ขับรถก็ขับเร็วนะรถคว่ำรถหงายอะไรนี่เป็นเรื่องปกติเลยนะรถหมุนรถคว่ำเวลาเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยจิตมันจะถอนตัวขึ้นมาไลยมันเห็นว่า ก, กายนี่นะอยู่ในรถเนี่ยกำลังคลิ้งไปคลิ้งมานะจิตมันอยู่ตา่างเป็นแค่คนดนะูความตกใจสักนิดหนึ่งก็ไม่มีเนระาะมีสติมีปัญญาที่จะคุ้มครองรักษาร่างกาย แตนที่จะคอหักตายก็ไม่เป็นอะไรมากนะเป็นถลอกนิดๆหนๆไม่ใช่ว่ามีของวิเศษอะไรหรอกแต่ว่ามีสติใจมันรู้สึกตัวใจตื่นขึ้นมามันก็ระวังรักษาตัวเองได้นะถ้าคนทั่วไปพอลดความรือเกิดอุบัติเหตนะุมันกลายเป็นว่าเราตัวรางกายของเรานี่คือตัวเราเนี่ยก็ตรงตกอยู่ในอันตราย ในขณะที่คนที่ภาวนาเป็นนะจะเห็นว่าร่างกายต่างๆลนะตกอยู่ในอันตรายแต่ไม่ใช่ตัวเราแล้วเหมือนเราเห็นคนอื่นเจออุบัติเหตุเราไม่ตกใจเท่าไหร่รู้สึกไหมเราเคยไปโรงพยาบาลไหมเห็นคนคนป่วยไหมเห็นคนอื่นป่วยมันไม่ใช่เราป่วยเราไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่เห็นคนอื่นเจ็บมันไม่ใช่เราเจ็บนะเราไม่รู้สึกเท่าไหร่เห็นคนอื่นตายมันไม่ใช่เราตายมันก็ไม่รู้สึกเท่าไหร่ เราจะภาวนานะจนเห็นความจริงเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราหรอกเป็นสมบัติของโลกเรายืมโลกมาใช้เริ่มจากยืมธาตุของพ่อของแม่มาคนละคลื่นเซลล์ที่เหลือก็เป็นอาหารเป็นน้ําเป็นอากาศในของโลกนะเอามาเลี้ยงตัวตั ว, ตวมันโตขึ้นมาถึงวันหนึ่งมันก็แตกสลายไปเนี่ยเราจะมาดูความจริงของร่างกายนะดูความจริงของใจด้วยความจริงของจิตใจก็คือมันไม่คงที่เลย ความจริงของใจเป็นของไม่คงที่จิตใจประเดี๋ยวก็มีความสุขแล้วความสุขก็หายไปจิตใจประเดี๋ยวก็มีความทุกข์แล้วความทุกข์ก็หายไปจิตใจเดี๋ยวก็ดีแล้วความดีก็หายไปจิตใจเดี๋ยวก็ชั่วรู้จักโลภไหมรู้จักโลภไหมโลภได้ตลอดเวลาไหมไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้หรอกใครจะโลภตลอดใครจะกลรธตลอดเราโลภตอนที่เราจิตถึงอารมณ์ที่ชอบใจ เราโกรธตอนที่เราคิดถึงอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเนีย่ยเวลาเราจะโกรธใครสักคนเราต้องคิดนิดนึงก่อนนะคิดถึงเขาในทางไม่ดีเราถึงจะโกรธแล้วถ้าเราเปลี่ยนเรื่องเราไม่ไปคิดอันนี้นะความโกรธนั้นก็หายไปหรือเราคิดถึงอะไรในทางที่รัรกนะที่ชอบที่อยากได้มากๆเลยเราเผลอไว้คิดเรื่องอื่นนะของที่เราชอบอันนี้เราลืมมันไปและนั้นมันตามหลังความคิดแปบบ๊แบๆบมาเท่านั้นเองนี่ของโชคลาบนะ ความโลภก็ของชั่วคราวความโกรธก็ของชั่วคราวความหลงก็ของชั่วคราวความฟุ้งซ่านก็ของชั่วคราวความดีก็สชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวความสงบก็ชั่วคราวเราจะเรียนจนเห็นความจริงของจิตใจให้เห็นเลยว่าจิตใจนี้สุขก็สมชั่วคราวนะทุก็ทุกชั่วคราวดีก็ดีชั่วคราวชั่วก็ชั่วชั่วคราวมีแต่ความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็บังคับไม่ได้ด้วย เคยตั้งใจจะไม่โกรธไหมเคยตั้งใจว่าจะไม่โกรธแล้วโกรธไหโกรธนะเราพลาดแต่ก่อนเทเป็นนะตั้งใจว่าจะไม่โกรธแลโกรธตั้งใจจะไม่รักก็รักได้ใช่ไหมตั้งใจว่าจะไม่โลภมีโลสิตคนหนึงมาเล่าตั้งใจจะไม่โลภนะไปศส่วนการค้านี่ไม่ออกตังไปนะไปดูจะไปเดินเล่นไปดูของอเสนะร็้วแฝงๆเจีนั้นไปรูดปัตรมาเต็มเลยนะ <c oughs> กับมาบ้านหน้าอมหอมกลับบ้านมันเผลอไว้เผอไปแอบเตรียมความโล่งความเคราะหังใจแต่ความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างนะที่ผ่านเข้ามาในใจเรานะไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์จะดีเลยจะชั่วเนี่ยทุกอย่างเป็นของชั่วคราวทุกอย่างเป็นของบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้อย่างเราสั่งให้สุขเนี่ยเราสั่งไม่ได้เราสั่งห้ามทุกข์นะก็ห้ามไม่ได้สั่งให้ดีก็ดีไม่ได้นะสั่งว่าอย่าชั่วอย่าโลภอย่าโกรธอย่าโลภก็ห้ามไม่ได้ ใจล้วเป็นของที่ห้ามไม่ได้หลวงพ่อจะพาพวกเราดูดูของจริงเลยว่าใจที่มันบ er ังคับไม่ได้หรอกหลวงพ่อจะหยุดพูดสักแป๊บหนึ่งนะแล้วห้ามพวกเราคิดห้ามคิดนะห้ามลองดูคิดไหมบางคนก็คิดพูดโถพูดโถนก็คิดอีกแหล่สังเกตไหมใจมันคิดได้เอง มคัคิดของมันเองเนะียเราไม่ได้เจนตนาจะคิดเราเจนตนาจะไม่ให้คิดนะแต่มันคิดได้เองเอาลองดูอีกรอบกันึ่งดูซื่อจริงไหมอย่าคิดนะมีสองสามคนที่ไม่คิดแต่ไม่คิดเพรานะไปเพ่งหน่อยนะเพ่งลมหายใจคือต้องทําอะไรสักอย่างห น, นึถ้าไม่หลงก็อยู่ในโลกของความคิดนะั้นกหลงไปอยู่ในโลกของการเพ่งเอาไว้ หลงไปอยู่ในโลกของความคิดก็ใช้ไม่ได้นะหลงไปอยู่ในโลกของการเพ่งจ้องหน่อยนิ่งๆก็ใช้ไม่ได้จะไม่สามารถเจริญปัญญาได้จิตที่จะเจริญปัญญาได้เนี่ยต้องเป็นจิตที่เดินอยู่ในทางสายกลางทางสายกลางเนี่ยก็คือทางที่ไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยกายปล่อยใจตามก่เลสไปลืมตัวเองตลอดเวลารู้จักใจลอยไหมจิตใจลอยไหมใจลอยบ่อยไหมวันหนึ่ง ไปเรื่อยใช่ไเดี๋ยวก็ลอยเดี๋ยวก็ลอยลอยแบบแบบแบบบบไปเรื่อยใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวน่นไม่ค่อยมีหรอกอใจมันลอยเนี่ยเยอะเยอะกว่าใจที่อยู่กับตัวเองหลวงพ่อจะหยุดพูดแล้วลองสังเกตดูว่ามันเรจะลอยไปจะลอยไปคิดนะส่วนใหญ่สังเกตไหมเคลื่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนไปเคลื่อนมานะลองรู้ลองหายใจสดูสิใจจะเคลื่อนไหม มีหลาพวกพวกนึงนะเคลื่อนไปเคลื่อนมาสเปซ ส, สปาร์มีที่คิดโน้นคิดนี่นะยีพวกนึงเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจในเกณฑ์มมแม้ใจมันไหลที่ใส่แรนด์ใจมัไหลไปอยู่ที่ลมส่วนคนนั้นไม่ไหลเลยจมลงไปแล้วนะทําสมาธิเยอะถอยออกมานะโมหะสมาธินะสมาธิที่ทําไม่ใช่ของคนณเครื่องหลังคนณจริงจริง แั่มันมีชาสมาธินะสมาธิไอ้นั้นซึมทำแล้วก็จะซึมออกไปก็จะซึมซึมออกมานะสิ่งที่ทําให้ใจเราไม่เข้าสู่ทางสายกลางที่ไม่สามารถมาเดินมิปั ส, สนาหรือเดินปัญญามีสองอันต้นเ mm hmm. ลยหลวงพ่อบอกแล้วว่าการเจริญปัญญาเนี่ยคือการที่เราสามารถรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นรู้ความจริงของกายของใจ mm hmm. ถ้าเมื่อไรเราใจลอย เรามีร่างกายเราก็ดื่มร่างกายเรามีจิตใจเราก็ดืมจิตใจเมื่อความใจลอยหรือการที่จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยคือศัตรูหมายเลขหนึ่งของการเจริญปัญญาเวลาที่เราใจลอยนะมีร่างกายเราก็ดืมอย่างที่นี่หลวงพ่อเน้นไม่ออกเย่าถ้าเมืองไทยเนี่ยเวลาเราใจลอยนะยุ่งมกันจําอยู่ได้ไหมว่านานๆไม่รู้จักยู่ง เวลใจลอยอยุ่กันเราไม่รู้เลยใช่ไหมเพรใจลอยอย่างนี้หรือคนไทยชอบเล่นการพนันเวลาเล่นการพนันนะใจมันล่องลอย ม, มุ่นอยู่กับการพนันตํารวจมายังไม่รู้เลยนะตํารวจมาสะกิดเฮ้ยุ่งยิ่ง่นะยุ่งกำลังจะจุว่าแต่คนไทยเนี่มีข้อดอีอย่างหนึ่งนะที่หลวงฟ้องไปหลายประเทศมาแล วัฒน ธ, นธรรมของเราเลื่อมอื่นเรารักษาไม่ได้เลยแต่เก่งการทํามันเงี้ยรักฉาาัของเส้นของวาเนก่เหมือนในทั่วโลกที่เด็นมาเนีเวลาเรามมกมุ่นกับเรื่องการพนันเรารู้สึกได้มีร่างกายเราลืมมีจิตใจเราลืมไม่ใช่ลืมตัวเองเวลาเราหลงไปสู่การสิง่งใดสิ่งหนึ่งนะเรามีร่างกายเราก็ลืมเรามีจิตใจก็ลืม เมื่อลืมกายเมื่อลืมใจเนี่ยเราจะไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้เพราะมันลืมไปแล้วจะไปเห็นของจริงได้ไงกระทั่งกายยังลืมเลยแล้วจะไปเห็นความจริงของกายได้ย่ไงไรกระทั่งจิตใจของตัวเองเราก็ลืมแล้วเราจะไปเห็นความจริงของจิตใจได้ย่งไรดัง <t> นั้นสิ่งแรกที่พวกเราต้องฝึกนะคือฝึกรู้สึกตัวอย่าลืมตัวเองค่อยรู้สึกกายค่อยรู้สึกใจบ่อยๆอย่าให้ลืมตัวเองญากหนัก ยากมากคนในโลกเนี่มันลืมตัวเองตลอดเลยที่หลวงพ่อว่าคนในโลกไม่รู้สึกตัวคนในโลกนั้นไม่อยู่ในโลกของความจริงแต่อยู่ในโลกของความคิดความฝันฝันไปเรื่อยๆคิดอะไรเพลินๆไปไม่รู้สึกตัวงั้นเราต้องพยายามาฝึกตัวเองนะอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวให้ได้ทำยังไงเราจะรู้สึกตัวเราต้องฝึกสิหายใจออกก็รู้สึกตัวหายใจเข้าก็รู้สึกตัวไนลองดูสิไม่ใช่หายใจเอาสงบนะ แต่หายใจเรารู้สึกตัวพยักหน้าล้วก็รู้สึกตัวนะเคลื่อนไหวรู้สึกตัวหยุดนิ่งรู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวใช้ได้นะหลายคนที่ใจเริ่มตื่นตัวขึ้นมารู้สึกไหมใครรู้สึกไหมว่าใจมันเริ่มตื่นตัวขึ้นมาไม่ใช่เรื่องยากนะแต่ว่าเราไม่เห็นคุณค่าความรู้สึกตัวเราไม่ใช่เรื่องยากที่จะเกิดขึ้นแต่เราไม่รู้ว่าควรจะทาให้เกิด แล้วก็เผลอล่องลอยอยู่ในโลกของความคิดความฝันตลอดเวลาอย่างขณะเนี้เกือบทั้งห้องนี้กําลังฝันไปแล้รู้สึกไหมใจหนีวิคิดแล้รู้สึกไหมเห็นไหมร่างกายกำลังหายใจอยู่รู้สึกไหมร่างกายหายใจออกรู้สึกไหมร่างกายหายใจเข้าค่อยรู้สึกสิหันรู้สึกบ่อยๆนะต่อไปเราจะรู้สึกตัวเป็นแทนที่เราจะหลงไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันตลอดเวลาเราจะมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัว มันจะอีกกายมันจะมีใจให้เราเรียนรู้ความจริงถ้าเราใจรอยเมื่อไหร่นะไม่ได้รู้ความจริงเรานี่บางคนไม่เข้าใจหลักของความรู้สึกตัวไม่รู้ว่าสตินี่สําคัญนะก็มุกแต่ว่าต้องทําสมาธิแล้วมันเป็นปัญญาจะเกิดนี่คุณไตรภพเคยระจับชื่อได้ไหมไตรภพจัดรายการโทรทัศน์เคยนิ ม, มนต์หลวงตามหาบัวไปออกโทรทัศน์แล้วไปถามหลวงตาเนียวก็ ถือศีลผมทำสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดไหมไม่เกิดหรอกนะลุงตาบอกไม่เกิดหรอกทำสมาธิก็เรื่องของสมาธิสิทำปัญญาจเจริญปัญญาก็ต้อใช้วิธีการของการจเจริญปัญญาคนละเรื่องกันไม่คุณอวาเอาแต่นั่งสมาธนะินั่งสมาธิไปนานๆก็ได้แค่นั้นแหละหลวงพ่อนั่งอยู่22ปีมันน่าแข่งกันอยูได้นะทำให้กลัวขายร้อนเรื่องนั่งสมาธินะ่ะ มันไ ม, ไ, ไม่ได้ไม่ได้ปัญญาไม่ได้แตความสงบเพะฉะ้นเราต้องเรียนนะวิธีที่จะเรียปัญญาไม่ใช่อยู่ๆก็ทําจิตให้สงบเนี่ยทําสมาธิมีหลายแบบมากเลยพวกหนึ่งทําให้เคลิ้ใครเคยเป็นไหมนั่งแล้วลตุ๊บเป็นเลยนะไม่ได้เรื่องเลยพวกหนึ่งก็เคร่งเครียดนั่งเหมือนจะกลายตาย <c oughs> ไม่ได้เรื่องสมาธิอย่างนั้นนะ มาฝึกสมาธิที่รู้เนื้อรู้ตัวนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะั่นแหละสมาธิสําคัญแต่อไปนี้เราต้องอย่าลืมตัวนานนะลืมได้เป็นครั้งคราวลืมสั้นๆคนที่ไม่เคยเรียนกรรมาฐานอยา่างถูกต้องเนี่ยเหลอวันละครั้งแต่เธอตั้งแต่ตื่นจนหลับครั้งเดียวนะคนที่เรียนกรรมาฐานยิ่งเก่งเลเหลอเป็นร้อยครั้งพันครั้งเลยลองดูสิเดี๋ยวใจเราปกตีแบบ พอหนีแวบเรารู้ทันว่านีนะแล้วก็รู money, ้สึกขึ้นมานี้อ <|no|> ีกแวบเรารู้อีกทีก็รู้สึกขึ้นมาแล้วมันหนีตลอดเวลาแวบแวบแวบแวบใจเราก็จะรู้ทันบ่อยๆนะสติจะเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นในส่วนจิตใจก็จะตั้งมั่นอยู่กับตัวเองอาศัยสติรู้ทันใจที่เคลื่อนอาศัยสติรู้ทันใจที่เคลื่อนนี่แหละนะสเจเคลื่อนติดจิตเวลาดูก็เคลื่อนไปดูนะอย่างเราดูฟุกตะู้ ลองดูสิพระพุทธรูปองค์งนี้ที่ยอดท่านนมีแฉกเล็กๆสังเกตไหมตรงยอดเลยมีกี่แฉกสังเกตไหมกําลังดูพระพุทธรูปลืมตัวเองแล้วเห็นไหมเนี่ยหลงไปดูเวลาเราดูเราก็หลงไปดูเรามีกายลืมกายมีใจลืมใจเวลาฟังก็หลงไปฟังมีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจเวลาคิด หลงเฟื่อยู่ในโลกของความคิดนะมีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจลืมกายลืมใจทั้งมันแล้วจะเป็นเจริญปัญญาได้ยังไงต่อไปนี้รู้สึกกายรู้สึกใจร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจสุขจิตใจทุกข์จิตใจดีจิตใจร้ายคอรู้สึกไปร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกนี่พยายามรู้สึกอย่างนี้ให้มากนะเพราะเรารู้สึกตัวเป็นนะ้ เรียกว่าเราผ่านศัตรูเบอร์หนึ่งได้แล้วศัตรูเบอร์หนึ่งของการทำํำวิปัสสนานะอันแรกเลยคือลืมตัวเองหลงลืมตัวเองมีกายลืมกายมีใจลืมใจแล้วเราคอยรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆต่อไปไม่หลงยาวจะหลงสั้นแวบรู้สึกแวบรู้สึกตัวนี้สําคัญนะถ้าพวกเราอยากจะพ้นจากความถูกนะเราบางคนอาจจะคิดว่าทุวันนี้ก็ไม่เห็นจะทุกเท่าไหร่เชื่อมไหมวันหนึ่งเราจะต้อพลัดพรา ก, รกจากคนที่เราดัง คนที่เรารักอาจจะพลัดพรากไปก่อนหรือเราจะต้องพลพรากจากคนที่เรารักเชื่อไหมวันหนึ่งต้องพลัดพรากความทุกข์หอเราอยู่ข้างหน้าเชื่อไหมวันหนึ่งเราต้องแก่ลงไปหมดเรื่องหมดแรงเราต้องป่วยใช่เราต้องตายทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าเรามีอยู่มีอยู่นะไม่มีอะไรที่มั่นคงสักอย่างเดียวเลยในชีวิตนี้เพราะฉะนั้นความทุกข์เนี่ยมาถึงเร า, ม เ, ราเมื่อไหร่ก็ได้ อย่บางคนก็แข็งแลรงดีนะเป็นสุดร่างกายเป็นมะเร็งก็มนะีคนไทยตอนนี้เป็นมะเร็งเยอะมากเลยนะไม่รู้ว่าเพราะอะไรเราเป็นกันเยอะแยะแข็งแรงดีอย่างพวกเราเนี่ยสวดร่างกายประจําปีธรรมดานี่นะเป็นมะเร็งไปแล้วชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนคนที่มีปัญญาเนี่ยเราจะต้องหาหลักประกันให้กับชีวิตตัวเองให้ได้เรื่องอะไรเราจะต้องเป็น ขอโทษนะเป็นมาจนจบนะถึงวันหนึง่งเราต้องจมอยู่ความทุกข์ช่วยตัวเองไม่ได้เรื่องอะไรเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเรารู้วิธีที่พระพเจ้าสอนเราจะมาฝึกใจของเราให้เป็นพุทธะมาเป็นผู้รู้ให้ได้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ดนั้นเราอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเลในการที่จะฝึกจิตฝึกใจให้พ้นจากความทุกข์ตั้งแต่ตอนนี้ไม่ใช่รอทําชั้นหนะ้ หลายคนอ้างว่าเป็นชาวพุทธ น, นะกะล่าวว่าทำบุญทำทานไปแล้วชาติหน้าค่อยไปภาวนาหรือชาติหน้าจะดีกว่าชาตินี้นี่ประมาณไปชาติหน้าจะไม่ได้เป็นคนอย่างนี้ก็ได้หรืออาจจะพิกลพิการอะไรก็ได้นะเอาแน่นอนไม่ได้หรอก แ, แต่กรรมมันจะให้ผลเราชาตินี้เรามีทุกอย่างพร้อมแนละ้วสติปัญญาเราก็มีนะเรามีร่างกายเรามีจิตใจที่สมบูรณ์รอยู่ทุกคนทุกคนนะที่อยู่ในห้องนี้ เราเอาสิ่งนี้มาเป็นต้นทุนนะเียพัฒนาใจของเราให้มันไม่ทุกข์เรื่องอะไรจะต้องทุกข์นะแ้ว เ, เรารู้คนทั่วไปเขาไม่รู้วิจีเราก็จมในความทุกข์เรื่อยไปแต่พวกเรารู้วิจิที่จะไม่ทุกข์เพราะนั้นเราก็ต้องตระหนักตั้งใจงแรกเลยรู้สึกตัวบ่อยๆเรารู้สึกตัวได้เราเราจะเห็นความจริงของกายของใจได้แต่ถ้าเราลืมตัวเองเราไม่เห็นความจริงของกายของใจ งานรู้สึกตัวเนี่ยเป็นการบ้านข้อที่หนึ่งนะที่หลวงพ่อให้พวกเราศัตรูของการเจริญยิปสนาอันที่สองมีศัตรูสองตัวเองถ้าเราไม่ผิดสองตัวนี้เราจะถูกถ้าเราทำถูกนะภายในเวลาอันสั้นเราจะพ้นทุกจะพ้นมากพ้นน้อยก็แล้วแต่บุญบารมีของเราแล้วละบางคนกะพ้นได้เยอะบางคนก็พ้นได้น้อยคนที่ฟังซีดีหลวงพ่อนะ นับจำนวนไมทั่วนนะตอนเนี้หรือฟังยูทูบฟังอะไรเนะี่ยบางคนฟังเดือนเดียวเดือนเดียวนะใช้เวลาเดือนเดียวท่านเอมาหาหลวงพ่อเลยมาขอบคุณหลวงพ่อว่าชีวิตเขาเขาเปลี่ยนไปละ mm. เขาเคยมีความทุกข์มากความทุกข์เขาเหลือ น, น้อย mm. เขาเคยมีความทุกข์นานความทุกข์เขาสั้นนะชีิตเขาเปลี่ยนเขารู้ว่าตัวเขาตื่นขึ้นมาแล้วรู้ว่าเขามีชีวิตจิตใจใหม่แล้ว ธรรมะของพระพุทธเจ้าสามารถเปลี่ยนใจิตใจของเราได้อย่างรวดเร็วนะแล้วอัศจรรย์มากเลยในเวลาสั้นนะั้นไม่นานหรอกไม่ใช่พอนาสิบปี20ปีก็เหมือนเดิมนะนั้นใช้ไม่ได้เราหละบในเดือน2เดือนเราควรจะเปลี่ยนตัวเองได้จากคนซึ่งไม่เคยรู้เนือรู้ตัวกลับมารู้ตัวได้นะแล้วชีวิตจิตใ จ, ใจมันจะเปลี่ยนนะมันจะมีความสุขมีความร่าเริงไม่เคลื่อนหอก ถ้าภาวนาล้เครียดทําผิดแน่นอนนะเพราะจิตที่เครียดเนี่ยคืออกุศลจิตชนิดหนึ่งจิตที่เครียดเนี่ยในตำราเขาเรียกโทสะโมลจิตจิตที่เจือด้วยโทสะมีโทสะเป็นรากเงาดันะั้นจิตที่เราภาวนาแล้เครียดเครียด <c oughs> เนี่ยทำผิดแน่นอนภาวนาแล้วใจต้องเป็นมีความสุขมีความสงบนะรู้ตัวไปรู้สึกตัวสังเกตไหมเวลาที่เราหลวงพ่อบอให้พวกเรารู้สึกตัวในใจของเราโลมรู้สึกไหม มันจะเริ่มโล่งขึ้นโล่งขึ้นนะในความรู้สึกตัวแต่นี่ยังขั้นต้นหนึ่งนะยังไม่ได้เริ่มจเจริญปัญญาเลยนะแค่รู้สึกตัวเท่านั้นองแค่รู้สึกตัวใจเราก็เปลี่ยนละนะถ้าจเจริญปัญญาได้ใจจะเปลี่ยนอย่างมหาศาลเลยเปลี่ยนแล้วจะไม่เปลี่ยนคืนอีกและนะใจจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยจะก้าวไปสู่คุนงามความดีที่ประณีตยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆมีสีขั้นนะอันโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีขั้นพระอรหันต์พวกเรานี้แหละจะเป็นได้ ถ้าเรารู้วิธีของพรทเจ้านะรู้สึกตัวอย่าใจร่อยนะรู้สึกตัวบ่อยๆสตุ๊เบอรสองคือการที่เราไปบังคับกายบังคับใจให้ผิดธรรมชาติเมื่อเราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจเนะี่ยเราไม่ลืมกายลืมใจแล้วนะแค่นั้นไม่พอเราต้องไม่แทรกแซงกายแทรกแซงใจคือไม่บังคับมันให้ผิดธรรมดาสังเกตไหมเวลาเร า, เร า, เราจงใจปฏิบัติธรรมนะ เราจะเริ่มบังคับตัวเองต่อไปนี้ให้ทุกคนนั่งสมาธิเราจะปฏิบัติธรรมเริ่มขยับไหมเริ่มจัดแปลงกายแล้วทำไมต้องนั่งท่า น, นี้ถึงจะนั่งสมาธิสมาธิหรือไม่สมาธิอยู่ที่ใจตนะ่านั้นไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งทันทีที่เราคิดถึงการปฏิบัติธรรมเนี่ยงานแรกที่เราทำนะคือบังคับกายต้องนั่งอย่างนี้ ดูเรเท่ถ้านั่งการสมาเทิได้เพราว่า อ, อย่างนี้เนียบที่สุดเก่งนั่งอย่างหลวงพ่อคุณได้ไหมนั่งย่องยอได้พรูบาอาจารย์ของหลวงพ่อองค์หนึ่งนะคือลงพ่อคุณฐานิโยมท่านบอกเอาหัวทิ้งีนเอาตี น, ต น, ต น, ตนชี้ฟ้าให้ใช้คํานี้นะ <c oughs> ก็ทำได้มันไม่ได้อยู่ที่กระบวนท่านะหรือเวลาที่เราคิดถึงการเดินโจงกรมเวลาเราเดินโจงกรมระวังฟอร์มไหม วางฟอมได้ที่ทำขลุถึงวางฟอรมร่างกายก่อนแล้วถันจากนั้นวางฟอร์มทางใจเห <c oughs> ็นว่าขลุ่มได้ที่แล้วก็เดิน <c oughs> มันบังคับกายมันบังคับใจสมดแล้วนะแทรกแสงกายแทรกแสงใจเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วจะเห็นความจริงของกายของใจได้อย่างไรนะความจริงของกายของใจตอนเนี้มีอยู่แล้ว งั้นถ้าเราแค่รู้สึกตัวใจไม่ลอยไปนะอย่าไปบังคับกายบังคับใจให้รู้สึกกายให้รู้สึกใจอย่าบังคับนะแค่รู้สึกทดสอบจดต่อไปนี้ให้ทุกคนจับอยู่ที่ลมหายใจจับไปที่ลมหายใจแค่จิตไปจดจ่ออยู่กับลมหายใจเลยจับความรู้สึกตัวนี้ไปก่อนนะแล้ว ถ, ถอยออกมาลืมตาขึ้นมา รู้สึกไหมใจซึมใจผิดธรรมชาติแล้วรู้สึกหมใจไม่เป็นปกติแล้วนิ่งกว่าความเป็นจริงแล้วเรียบร้อยเกินไปเนี่ยตอนที่หัวรอเนี่ยรู้สึกไหมใจคลายหรอกใช้ใจที่คลายอย่างนี้นะ ร, รู้สึกเห็นร่างกายหายใจอย่าดูที่ลมนะเห็นร่างกายกำลังหายใจอยู่คือเห็นร่างกายกาลังนั่งอยู่ด้วยใจที่ผ่อนคลายเหมือนตอนที่หัวล้อเมื่อกี้เนะี่ย อย่าไปจ้องใส่ลมนะแค่รู้สึกเห็นร่างกายหายใจด้วยใจที่สบายๆจาความรู้สึกตัวนี้ไว้นะมันต่างกับความรู้สึกตอนที่เราเพ่งลมหายใจนึกออกไหมการที่เราเพ่งลมหายใจนะร่างกายเราก็นัิ่งกว่าความเป็นจริงจิตใจเราก็นัิ่งกว่าความเป็นจริงแล้วเราจะเอาความจริงที่ไหนมาเห็นนะมันผิดความจริงไปเรียบร้อยแนละ ถ้าจะดูความจริงก็ดูตอนนี้เลยนะดูตอนนี้เลยร่างกายหายใจออกไหมร่างกายเจ็บเข้าไหมดูไปเรื่อยๆดูไปสบายๆดูเหมือนดูคนอื่นเพราะเราใส่เขียนนะเวลาเราเห็นร่างกายหายใจเนี่ยกับเราเห็นลมหายใจเนีความรู้สึกจะไม่เหมือนกันลองดูลมหายใจอีกรอบนึงสิเจ้าไปใส่ลมหายใจให้ลืมโลกไปเลยอ่ะพอลืมตาขึ้นมายิ้มหวา น, วานสักที เห็นไหมว่าซึมไปส่วนใหญ่ซึมเห็นไหมอันนี้สมาธิใบนี้นะเป็นโมหะนะโมหะสมาธิมันเป็นมิจฉาสมาธินะไม่เป็นไปเพื่อมาผลิตพันแต่มันเป็นไปเพื่อโมหะทํากิเลสให้เกิดโมหะเป็นกิเลสนะซึมซึมได้ที่กลับไปนะ ตื่นขึ้นมาอ๋วันนี้ดีเฉยเลยสงบมาชั่วโมงความจริงสลบไปชั่วโมงเลยไม่ได้สงบ ก, กลืมและลืมตัวไปชั่วโมงเหมือเนี่ยเห็นไหมตัวอะไรหัวล้ออยู่เห็นไห ม, ต, ไออไไหมตัวอะไรยิ้มอยู่ตัวอะไรขยักหน้าอยู่เนี่ยรู้สึกไปสิไหมร่างกายมันยิ้มใช่ไหมร่างกายมันหัวรอ้อร่างกายมันพยักหน้าร่างกายเป็นหายใจร่างกายเป็นนั่งใจเราไปแค่คนตัวอยู่กายกับใจเนี่ยเป็นคนละอันกัน นะค่อยๆฝึกนะที่หลวง พ, าพ่อกำลังพาเราก้าวไปสู่จุดที่จะทำวิปัสสนาเป็นดำๆดำๆแล้วขั้นแรกไม่ให้ลืมตัวเองให้รู้สึกกายรู้สึกใจเวลารู้สึกกายรู้สึกใจแล้วรู้สึกสบายๆอย่างที่กายเป็นอย่างที่ใจเป็นไม่บังคับกายไม่บังคับใจรู้สึกไปอย่างสบายๆแล้วเราจะค่อยๆเห็นว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยเป็นคนละอันกันตอนนี้ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมร่างกายข ย, ยักหน้ารู้สึกไหม ลองยิ้มใช่ยิ้มหวานหวานยิ้มเห็นหร่างกายยิ้มไหมนะเห็นรน่ากายทียักหน้าไหมของคุณใช้ได้นะเมันนะ้นที่ผมจิตมันตื่นขึ้นมาแล้วมันไม่ยากหรอกรู้สึกไหมมันเหมือนเราตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงเลยนะั่นค่ะว่าแห่งความตื่นนี่นะเป็นจุดตั้งต้นของความเป็นพุทธะของเราถ้าเราเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวลืมบังคับตัวเองตลอดเวลาเครียด คนที่ไม่หัดภาวนานะั้นจะลืมตัวเองตลอดเวลาส่วนพวกภาวนาเนี่ยจะบังคับตัวเองเป็นส่วนใหญ่นะของคนรู้สึกไหมเราบังคับตัวเองเก่ง น, น, นั้นนะมันไม่เป็นไปเพื่อบางคนเห็นผ่านแต่ว่าเป็นคนดีจะได้ตำแหน่งคนดีนะแต่ไม่ไม่ได้ผานออกคนละเรื่องกันคนดีเขาเวียนว้ายตายเกิดในพวอบูมที่ดี คนที่ไปนิพพานเนี่ยคือคนที่เห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจจนไม่ยึดถือหมดความยึดถือในกายในใจเห็นไหมร่างกายกําลังหายใจอยู่เห็นไหมร่างกายที่หายใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้านะร่างกายพยาักหน้าเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าค่อยๆฝึกนะค่อยๆฝึกไปพยายามซอมทุกวันนะหลวงพ่อไม่อยู่ไหมดี่นี่เราก็พยายามฝึกของเราเอง สงสัยขึ้นมาก็้ปฟังซีดีมีคำตอบอยู่แล้วอด ท, ทนเอานะเดือนสองเดือนเราก็จะเปลี่ยนละอย่างของคุณคนนั้นก็เปลี่ยนแล้วใช้ได้ของคุณเน่ยขันมันแยกครับรู้สึกตัวคลายกระจายมันแยกออกจะัำได้ความรู้สึกนึกคิดมันแยกออกจะทำได้แล้วจะเห็นนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราจะเห็นได้ เ ม, มืม่ไม่ใช่ตัวเรานะต่อไปร่างกายแก่ก็ไม่ใช่เราแก่ร่างกายเจ็บก็ไม่ใช่เราเจ็บ น, นะร่างกายตายก็ไม่ใช่เราตายแนละ้วจิตใจนี่แหละจะสมหวงังจิตใจจะผิดหวังไม่ใช่เราสมหวงังไม่ใช่เราผิดหวังมันเป็นแค่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นชว่วครั้งชว่วคราวแล้วก็หายไปพยายามรู้สึกตัวนะแต่ไม่บังคับตัวเองรู้สึกตัวแล้วก็เห็นร่างกายกับใจแยกกันอยู่ร่างกายก็ทํางานตามหน้าที่ของร่างกาย จิตใจก็ทำงานตามหน้าที่ของจิตใจไปยังรู้สึกสรั่นี้เขาฟังภาษาไทยได้ไม้มไม่ได้เลยน่าเสีใจตอนนี้ฝรัองมีคนต่างชาตินะนเรียนกับหลวงพออ่อเยอะหาคนช่วยแกล้งเราได้เปลี่ยนเราฟังรู้เรื่องแต่ว่าเราไม่ค่อยอยางภาวนา เจนแต่เริ่จะเล่นอวยชอจอจ่อจ่อแต่ไม่เล่นมก็ไม่ใช่คนไทยหรอกเน็ตก็อยาให้กลุ่มข้างรักก็รักันดื่มตัวเองแล้วรู้สึกไหมใจลอยรู้สึกตัวรู้สึกตัวสบายสบายหนูเสื้อเชียวนะรู้สึกแรงไปมันจะแน่นมันจะแน่นแน่นอึดอัด ถ้าอื่นอ่นเนี่ผิดเลยนะถ้าอื่นอ่นเนี่ยหลุดมาข้างบังคับตัวเองนะถ้าใจลอยก็ลืมหลุดไปข้างลืมตัวเองสิ่งที่ผิดมีสองอันอันนึงลืมตัวเองอันหนึ่งบังคับตัวเองสิ่งที่ถูกที่เป็นทางสายกลางคือรู้สึกตัวเองแค่รู้สึกตัวเองไม่ได้บังคับพยายามรู้สึกนะรู้สึกไปถ้าใจหนีมีคิดรู้ทันนะใจบังคับอยู่รู้ทันให้ฝึกรู้สึกไปสบายสบาย เห็ร่างกายทํางานเห็จิตใจทํางานเรื่อยๆเดือน2เดือน3เดือนเรื่อยๆกเราจะเปลี่ยนแล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนสัเกตไหมใจหนีไม่คิดล้รู้ทันใจที่ไหลไม่คิดนะรู้เรื่อยๆรู้ทันพอเรารู้ทันแนละ้วใจมัจะอยู่กับตัวเองแต่เราไม่บังคับว่าต้องอยู่นะถ้าว่าต้องอยู่เนี่ยใจจะอึดอัดนะ จะปิดทันทีเลยจะสุนโงไปข้างบังคับตัวเองภาษาบาดีก็มีนะสุนโตไปข้างตามกิเลสลงไปนะี่เรียกว่ากามาสูก่นนการอนุโยคสุนโตมาข้างบังคับกายบังคับใจทํากายทําใจให้อึนอัดลำบางเรียกว่าอัตตกิลมถานุโยค2ทางนี้แหละที่พระพุทธเจ้าสอนปัญญวัชนะีว่าอย่าทําแต่ทันทีที่เราคิดตัวการปฏิบัติทำเราก็บังคับทันทีนะั่นะเรารู้สึกนะแค่รู้สึกไม่ใช่บังคับ ให้ใจลอยแค่รู้สึกนะเนี่ยนัตรวตรงใชแต่ว่าใจดีเลยนอกวัดเลย <c oughs> ใจใจเป็นลายเลยให้รู้จัก น, นะ <c oughs> นี่เปลื้มมากไปปีติเกินรู้สึกไหม <c oughs> ถูกปีติครอองนำใจจะตาลอยเลยแล้เรู้สึกตัวไม่ให้ความรู้สึกครอบงนำใจนะ <c oughs> ความรู้สึก ฟังธรรมะแล้วมีปีตีเป็นความรู้สึกทางบวกนะก็อ hmm. ย <T> ่าไปให้ครอบนำใจอย่าไปแต่ความรู้สึกทางชั่วเลยนะควารู้สึกทางดีก็อย่าให้มันครอบนำใจได้ต้องเป็นตัวของตัวเองฝึกใจให้มันเป็นอิสระขึ้นมาใค่อยๆฝึกนะไม่ยากเข้าที่คิดหรอกนี่คือหนักไปตัวสึงไหมมันจะแน่นเสร็จรู้สึกตัว หาใจไปรู้สึกไปเห็นร่างแายหายใจใจเป็นคนดูกายกับจแยกกันนะต่อไปความรู้สึกเกิดนะความรู้สึกสูงเกิดนะขึ้น<ใ>เราเห็นความสุขกันจิตใจก็แยกออกจากกันนะต่อไปวกกอความทุกข์เกิดขึ้นเราเห็นหนึ่ความทุกข์กันจิตใจก็แยกออกจากกันอีกแยกออกจากกันได้นะโรคหวอดลมเกิดขึ้นเราก็เห็นหนึ่งโรคหลอดลมกันจิตใจก็แยกออกจากกันได้อีกใจนั้นทำหน้าที่เป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเท่านั้นเอง ค่อยๆฝึกค่อยๆดูไปเร้่อยๆเลยตัวเราไม่มีร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าความดีความชั่วเช่นลบคหลดลงไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าแล้วถ้าจิตใจของเราเองก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะเป็นสิ่งที่เราไปรู้ท่าใจไปรู้เข้าท่ไม่ใช่เราจิตใจเองก็สั่งไม่ได้ ค่อยๆดูนะค่อยๆฝึกไปทำให้ได้นะหลวงพ่อคงไม่มาบ่อยนรองทั้นี <c oughs> ถ้ถ้าอ็ไรก็ฟังยูท b e เอาฟังซีดียวานะช่วยตัวเองช่วยตัวเองให้ได้ชีวิตวันข้างหน้าต้องดีกว่าเดี๋ยวนี้ให้ได้ความทุกข์ต้องน้อยลงให้ได้ต้องตั้งใจอย่างนี้นะไม่งั้นไม่คุมที่พวกเราเป็นชาวพูทธกั เป็นชาวพล้ๆเขาเป็นเป็นเกตุบาทไม่รู้จักว่าพุทธะคืออะไรเป็นนั่งสมาธิอยู่สี่ตขนั่งสมาธิแต่นั่งสมาธิก็ได้นะไม่ใช่ไม่ได้นั่งสมาธิให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวเวลาฝึกสมาธิไม่ใช่ฝึกบังคับจิตให้สงบนะสมาธิเนี่ยมี2อกลุ่มใหญ่ๆมิจฉาสมาธิสมาธิที่ผิดการสมาสมาธิสัมมาสมาธิยังแยกออกเป็น2อย่าง สมาธิเพื่อความสงบอย่างหนึ่งสมาธิเพื่อให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานแล้วเอาจิตที่เป็นผู้รู้นี้ไปเจริญปัญญาเป็นอีกแบบหนึง่งสมาธิมีหลายชนิดเลยมิจฉาสมาธิคือสมาธิที่ลืมตัวเองขาดสติอย่างนั่งหายใจไปเราเริ่มเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนนท์เห็นนี่เห็นนั่นดีเห็นนั่นอนานคตนะสมาธิอย่างนั้นลืมตัวเองไม่เป็นไฟเพื่อมาฝนยินงพานไปหรอกไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่เป็นมิจฉาสมาธิ สมาธิที่ดีเนี่ยมีสองอันอันหนึ่งสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวและจิตใจได้พักผ่อนจิตเป็นหนึง่งอารมณ์เป็นหนึง่งเช่นเราอยู่กับฟุโทโธจิตอยู่กับฟุโทโธไม่หนีไปที่อื่นจิตสบายอยู่ที่ฟุตโธ ไ, ได้ความสงบได้ความสุขหรือบางคนรู้ลมหายใจนะจิตเป็นคนดูจิตเป็นหนึ่งจิตรู้อารมณ์เดียวคือรู้ลมหายใจ จิตไม่หนีจะจักลมนั้นมีความสุขอยู่กับลมหนใจได้ความสุขความสงบนี่สมาธิอย่างเนียวไว้พักผ่อนสมาธิที่จะใช้เดินปัญ่างคือสมาธิที่จริงใจอยู่กันเนื้อกันตัวนะพยายามฝึกได้ทั้งสองสมาธิดีที่สุดถึงเวลาที่เราเหนื่อยเราก็ทําความสงบเข้ามาถึงเวลาที่จิตใจเรามีเรี่ยวมีแรงแล้วนะแล้วก็ฝึกให้ใจเป็นคนดูใจตั้งมา่นขึมาเป็นคนดู เห็นร่างกายทํางานใจเป็นคนดูเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นใจเป็นคนดูเห็นกิเลสเกิดขึ้นใจเป็นคนดูค่อยๆฝึกสมาธิที่จิตใจอยู่กับเ น, นืัตัวนั่นแหเป็นสมาธิแท้ๆของพระพุทธเจ้าส่วนสมาธิสงบเี่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่ท่านไม่ปฏิเสธเพราะมีประโยชน์เหมือนกันเอาไว้พักผ่อนแต่สมาธิที่ไม่ให้ทำคือวิจชาสมาธิสมาธิที่ลืมเนะื้อลืมตัว ต้องรู้สึกตัวสมาธิอะไรที่นั่งแล้วก็รู้สึตัวเองเคลอบฝันอย่าทำอะไรไปนอนซะดีกว่าไปฝึกให้ตัวเองจิตใจอ่อนแอเราทรถถ้อเราถุยไม่ได้เพื่อนลงภาพสังเกตอย่างพวกเราในห้องนี้พอให้นั่งสมาธินั่งได้เร็วสงบเร็วสแสดงว่ามีพลังฝึกปือทางสมาธิมาดีพรสมคนนะ <c oughs> ตจำเป็นนี้อย่เอาแค่สมาธิแบบนี้นะ มาฝึกสมาธิที่ใจเป็นคนตัวให้ได้จิตใจเป็นคนตูจิตใจอยู่กับตัวเองวิธีฝึกนะถ้าเราจะทำสมาธิให้สงบเราต้องรู้จักเลือกอารมณ์ว่าเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขถ้าจิตมันมีความสุงอยู่กับอารมณ์ น, นันแล้วมันจะไม่หนีไปอารมณ์อื่นมันจะอยู่ในอารมณ์เดียวจิตจะสงบเพคนไหนพุโทโธพุโทโธแล้วมีความสุขเราอยู่กับพุโทโธ จิตสบายอยู่กับพุโทโธจิตไม่หนีไปที่อื่นจิตสงบเมื่อคนไหนรู้ลมหายใจแล้วจิตใจมีความสุขหายใจไปอย่าไปบังคับมันหายใจเล่นๆมันมีความสุขนะหายใจเพียงมีความสุขจิตมีความสุขจิตก็ไม่หนีไปที่อื่นจิต ม, ม, ม, ม, ม, ม, มันหนีไปที่นอที่นี่เพราไปหาความสุขแต่ถ้ามันมีความสุขแดกมันก็ไม่ต้องหนีมันก็อยู่ในอารมณ์เดียวสงบเพื่อได้ความสงบ เคล็ดลับของการทําความสงบอยู่ที่รู้จักเรื่องอารมณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันเราลองไปดูตัวเองถ้าเราอยู่กับอะไรแล้วจิตใจเราไม่ฟุง้งซ่านมีความสุขทุกวันก็แบ่งเวลาเอาไว้ทําสมาธิแบบนี้บ้างจิตใจจะได้มีกําลังส่วนสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นคนดูเก็จะเราเคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตไหลไปดูรูทันจิตไหลไปฟังรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทัน หรือว่าจิตไหลไปคิดเกิดบ่อยที่สุดเกิดทั้งวันเนี่ยใจไหลไปชิดแ้เรารู้ทักอะไรอไหไม่ดึง น, นะอย่าไปดึงขึน้นนะแค่รู้ทักว่ามันไหลสมาธิอันนี้ก็จะเกิดขึ้นเองเมื่อไรไม่ไหลเมื่อนรัรนก็ตั้งมัน่นแค่นั้นเองง่ายๆแค่นี้ถ้าไหลเรารู้ว่าไหลนะจะหยุดไหลเดีจะตั้งมัน่นลองดูสิเราใครทำมาธิเมื่อไรก็ทํำไปแต่ว่าไม่ได้ทำเพื่อให้สงบ น, นะ ทำเพื่อคอรู้ทันจิตที่มันหนีไปเด็กบางคนรู้ลมหายใจจิตนี้ไปคิดก็ได้จิตนี้ไปอยู่ที่ลมหายใจก็ได้หลไปอยู่กับลมหายใจก็ได้เรารู้ทันจิตที่ไหลบ่อยๆรู้ทันจิตที่ไหลนะเราคืได้สมาธิที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยสมาธิชนิดนี้แหละเป็นสมาธิเฉพาะของพระพุทธเจ้าสมาธิอย่างอื่นๆของฤาษีเขาก็มีแต่นันงสงบไม่เกี่ยวอะไรกับมักฝนหรอก แต่ว่าไม่มีความสงบเลยตอนนั้นลบากแห่ง แ, แรงใจแห่งแล้งเป็นผ้าลาเดียวต้าลานประเภทแห่งแลงนสุขภิะะกัิ์ไปด้วยความลำบากแต่เป็นผ้าลายนั้มีความสง ใ, ใจหนึ่งไม่ไม่ยึดถื อ, อร ม, มีความสมมุขในตัวเองใจลอยอ่ะหมดพลังที่จะฝังต่อแล้ว เ, เท็จแค่นี้พอไม่มีแรงฝังต่อแล้ว เว ล, ลาหลวงพเทศ น, นะเขาไม่มีสคริปต์นนะเร mm. จะเทศจากจิตของคนฝังจิตของคนฝังรับได้แค่ไหนก็เทศได้ฝังแค่นก็ได้เข้าใจไหมนะพยายามรู้สึกตัวนะอย่ใจลอยใจดีไป mm. รู้สึกบ่อยๆในในั่งสมาธิที่ใจอยู่กับตัวเองเม้่จิตใจอยู่กับตัวเองก็อย่าบังคับกายอย่าบังคับใจแต่ให้ดูกลยอยิ้งกเป็นดูใจอใจเ็ ร่างกายกำลังหายใจรู้สึกมเป็นไหมร่างกายหายใจใจเราเป็นคุณดูร่างกายไม่ใช่ตัวเราถัดจากนี้เล่สุดท้ายจะเห็นว่าตัวเราไม่มีไม่ใช่ชิน้นเอานะไม่ใช่การปลุกัน้าจิตไม่ใช่การเซอร์โปกิจจะเป็นการพาจิตไปดูของจริงจนจิตเข้าใจความเป็นจริงพาจิตไปดูของจริงคำว่ามิปสนากรรมฐานคือพาจิตให้เห็นความจริงเทอานั ความจริของกายความจงอ่างกายความจริงของจิตใจถ้าเหความจริงน้นจะเจออะไรขึ้นจิตมันจะมีกระบวนการที่พัฒนาตัวเองพระเจ้าท่านสอนบอกว่าถ้เห็นต่ความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายก็เบื่อหนายสึงกลายความยึดถือก็กลายความยึดถือจึงหลงตนก็หลงตนจะรู้ว่าหลงตนเนีต่อไปนี้ความถูกไม่มีเนยเป็นเพียงแต่ความเป็นจริงเห็นใจอย่างที่ใจเป็นเห็นใจอย่างทใจเ็น เสีใจลอยแล้วก็จะเป็นบังคับใจยัมาบังคับใจเราที่ได้เห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็ในใจอย่างที่ใจเห็นน้พอไหวไหมไวไม่ไหวก็ต้องสู้ยกเพ้นเราจะยอมจำนนนะยอมจบอยูเ่เลความสู้เ์นี่หอั่นหอนถ้าเราไม่อยากให้ชีวิตเราอยู่แค่นี้อยาจะพัฒนาต้องต้องสู้ดีสิที่เจ็บให้ฟังนะ ตอนแล้วเราจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เปิดป า, างตอนแล้วชีวิตเราจะเปลี่นกล้าท้าเลยนะคนเปลี่ยนชีวิตตัวเองด้วยซีดีของพ่อมาเยอะเริ่องต้นแต่จะสวยหมดเกล่กเฮ้ยจริงนะคนเชื่จๆมันหน้าตาดูไม่ได้นะหน้าตาเนี่ยช้างเหี่ยวเลี่ย่วยื่ยื่นดไม่ไ ด, นะไ ด, ไได้แต่ว่าคนรู้เร่ารู้ตัวใจเราโกรธเปิดปง มีคนเล้มให้สำคัญวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความงามน่ยนะสิบคนามรว่าสิบคนมีอยู่คนห น, นึ่งนี่ยบอกว่าเขาสวยขึ้นมาเนะ่าฟังซีดีหลงพอง่อกมดนนั่นอยากสวยนะอย่าลืมนะนะคฟังไม่ได้หลอกนะเรื่องจริงมีคนมาส่งมาบ้านไม่ๆเรไปฟังในซีดีก็มีบอกว่าโอ้สามี ทึงมากเลยคิดว่าได้เมียใหม่ไหมเมียเก่าเนี่ยนะจู้จี้ชี้หงุดหงดมากกินจุ ด, ดูอย่างก็ับหมา <c oughs> ม, มันได้เมียใหม่ที่มันเจริญสติเจริญปัญญาหนะ้าตาถ่องใสอารมณ์เยี่เยี่ยมเปลี่ยนะยในบ้านเนี่ยร่มเย็นร่มเย็นเป็นสูขขึ้นในทางโรบๆะการทํางานก็จะดีขึ้นกนะ็นสมาธิเราจะดีขึ้นจิตใจอยู่แนนะี่ยเขไม่ว่าแิก าการงานก็ดีขึ้นชีวิตส่วนตัวก็ดีขึ้นจิตใจก็ดีขึ้นช่จะสั้นลงสั้นลงตัวจ อ, อยลงน้ยลงนี่หละตามที่ส่งของซีดีละไปฟังนะไปฟังทุ ก, กวันทุกวันมีแทนเดียวก็ฟังันแบบเดียวนี่ <c oughs> ในอินเทอร์เนะ็ตมันมีเยอะะเราเพราไม่ได้อ่าวเองหรอกไป เ, เทอร์นเน็ตเรามาอ่านเองเนี่ยรก็ไปดูมีให้ฟังเยอะแยไปฟังแนละ้วจะได้เปลียนชีวิตตัวเองใช่ บางคนมันไม่ต้องเก็บในทุกวันนี้ก็สบายอยู่แล้วรอไปเจอเดี๋ยวก่วอนทุกขขึ้นมาถึงมันช่วยเองได้ไหเวลาเราเสียไหานะ้น้อเราต้องหันไหว้สกอที่จะตกน้าใช่ไหเราอย่าสู้กับความทุกขเราต้องสึกใจซกอที่จะถุกเนะรอทุกตอ่อเนื่องไปฝึก ไ, ไ่ทานกินหรอกไม่ได้กินหรอกทุกข์นะ ส <laughs> <liches ifies> ู้กับรัฐบาลที่ไหนสู้กิเลสที่นี่นะกระบวนการไม่เดินเลยไม่ดี้วไม่มีใครจะส่งกันบ้านไหมใครจะถามอะไรมีไหมคลักแล้วาชการพอค่ะคือไม่ได้ส่งกับการหลกงพ่อมาประมาณสองปีอะค่ะนี้ก็โอ้หลกงพ่อจำได้ค่ะ ใช้เงเล็กสวยประจบไว่ได้หอกนะไม่ได้หลอกนะนะเรื่องจริงใส่มันถกเพิ่รูเสร็จนะเราเห็นในกาย ใ, ใจเป็นโบราบางทีกทีม่แล้วแนตะ่เราไม่ประคองใจนะตอนนี้ประคองอยู่ถระองบางก็เพ่งบาีก็ดกอเกิดบ้างเพ่งบ้างก็ไม่เป็นไรนะเกิดเกิเรารู้่หยไปไหน จะเพ่งตลอดแล้วก็ไปไหนไม่รอดเวลาเราเพ่งนะที่นี่ไม่มีมากแตเมืองไทยมีแต่บ้านนอกนะสะพานที่ทํำด้วยไม้ไท่ลํา เ, เดียวเองน้อยแล้วมีไม้ไผ่จะให้ก่อนบางคนจะข้าวขู่น้ํำนะก็ใส่สะพานเนี้ยกลัวมากมือไม่ไหวเลยมือจับไม่ไผ่แน่นเลยข้ามได้ไหมขาไปเดินมือไม่ไป <laughs> เวลาเราจะพนันเนาใจ้็คลาดเนี่ยจะไปจับเนี่ยปล่อยให้มันทํางานตกน้ำบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกดีหลวงพ่อจะขอหลวงพ่อชี้แนะของสัมปะเด็นนะคะเมื่อจำได้เอาไปทำต่อก็คือมีอย่างเรื่องเพ่งเนี่ยค่ะหลวงพ่อคือบางทีมันช่วงที่เป็นแบบในรูปแบบเมื่อวันเช้าเย็นนะคะก็บางทีก็ปล่อยมันไปมันก็จะเกิดอเพ่งๆอย่างที่บอกแบบว่าช่วงที่เพ่งเนี่ยค่ะพ่อถ้าเกิดเราบางทีเราก็ ปล่อยใมันเพ่งอย่างนั้นเราก็ดูตัวเท่งกับตัวอื่นที่มันเกิดเกิดพร้อมกันอย่างนี้ได้ไหมคะคือถ้าเท่งไม่แรงมากนะเดินสัญญาเกิได้เลยเห็นว่ามันทำงานได้อีงต้องทำเช่นนี้ไม่ได้เท่งนี่ต่อมาต่อมาว่าจะดูอะไรดีเท่งไม่ต่อเท่งจึงนี่มันมันก็ไม่คื่อเพราะวตัวเองรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็แท่งมันรู้สึกมันมันไม่ได้จะ เรื่องตอนไหนก็ไม่ได้ก็เลยปล่อยตอนหอะไรไม่ได้ก็เลยปล่อยมันดูไม่ใช่เหอนไม่พอไม่งั้นมันจะฟุบมากไปเบื้องต้นเราทโททไว้ก่อนเรารู้ลมายใจไว้ก่อนก็ได้ทก็มาฐาสอย่างหนึ่งแล้วรู้จิตที่เคลื่อนย่างนี้เราจะมีแรแต่ถ้าเราูตามยทํากลับไปไม่มีแรงมันจะฟุบรู้สึกไหมมันฟุบไปฟุบค่ะแล้วก็ ก็เกี่ยวกเรือด้วยนะคะพเพราะว่าที่บอกว่าให้ดูกรรมฐานที่เอาถาน ท, ที่จะออกมาเป็นแนรงนค่ะก็ยังไม่น่จคือทาที่เราหลวพ่อนว่าให้ดูุกโถกแล้วก็รู้ ใ, ใจรู้ใจใบนะคะแต่ว่าจิตมันก็ไม่ได้เอาบุญโถงคือคือมันก็อยู่บ้างแต่ว่าทั้งวันถ้าพูดถึงทั้วั น, นะคะ บ, บางทีมันก็ไปจัเหยีดื้นบางทีมันก็มาชี้ประจอนบางทีมันก็รู้ลหมหานใจถ้าออกกําลังมันก็รู้เรื่องกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันไม่ค่อยอยู่กับตัวใดตัวหนึ่งก็เลยสถาบันพ่อว่าเอาหอะไ้ตัวเป็นฐานได้ไหมได้หรอกมันเป็นคนหลายหลายบ้างนะมันเหมือนงานบ้านมีอยู่บ้านไหนก็ไม่รู้เป็นคนในมีอันเดียวสองอันเดี๋ยวนี้ตัวเองร่าละไก่ได้เนี่ยละไก่ไปยันหน้า่าไกายเคลื่อนไหวรู้สึกไายได้แต่ไม่เพ่งแค่รู้สึกไปนะเอาไปเคลื่้นอยู่อย่างนี้ใช้ได้ คือว่าถ้าเพงมากเด็กคือผม่อบอกว่าถ้ามันเพ่งมากาเกินไปะคะคือมันต้องมีวิกีผ่อดเพ่งของตัวเองเพื่อทําป็นไปถึงเป็ับืนไม่ก็คือถ้าอยู่ในชว่วงทานิแตว่เมื่อกีก็จะตเอาปือมากระสานข้างหน้านรู้สึกหม่ขอขึอ้นแล้วก็เดินก็ได้เดินเล็ก็ได้ให้มันผ่อนคลายหน่อยต่ไม่ต้องไปแกล้งทให้เคลิมนะเพราะว่าปกติรตเราก็เคลิ้มกอยู่แล้วไม่ต้องไปแกล้งํา ไม่ต้องแจ๋วเดี๋ยวมันต้องเิ่มแต่เ้าผ่อนคลายรีแลกซ์นีอย่างเรานั่งสมาธนะนั่งเราเครียนี่าค่อยๆสังเกตี่ยตั้งแต่หัวถึง เ, เท้านะส่วนไหนเกล็งบางทีเวลาเรานั่งสมาธิแล้วเราบังคับตัวเงเนี่ยร่างกายมันจะเกร็งนะแล้วตรงไหนเกร็งเราก็ทำความรู้สึกผ่อนคลายไปล้คอแข็งไปแล้วทำความรู้สึกคลายออกปวดตรงนั้นตอนนี้ทำรู้สึกผ่อนคลายใช้อะไรก็ได้อยู่ ม, ม, มัน้ลือนไม่ือนเลยนะจะเลื่อนอะไรนักหนาเลื่นได้หือครับมืรฝ่นร้อยดนะีกันแลเลื่อมันจะดีแล้วแต่มันไม่ได้พงมันถูกลมรื่นคล่องหนักเลื่อนจากลอยไปได้เนยมันมันไม่เป็นตัวของตัวเองใจมันถูกความรื่นคลองมนักอย่างนี้ใจดีอย่างนี้ดีกว่านะรู้สึไว่ใจเข็งแขร่งกว่า ไม่ใช่แล้วผมไม่ได้ทำอะไรทำถูกแล้วนะทำถูกแล้วถ้าทำบ่อยๆเห็นร่างกายมันกระจายมันแยกกันความรู้สึกกาบจิตใจมันก็แยกกันแล้วนะทำถูกแล้วฟังซีดีมันนานเท่าไหร่เนี่อฟังจริงจังก็ตบหมาประมาณกตลเออ ซาตัวที่อกอ่ะคุ้มเลยนะคุ้มนะเนี่โอกไม่หากนะสมหวังไปไม่ได้พอนาอกหากแล้วพอนาเก่งเี่แบเนี้โอ้ยุ้มมากเลยเวลาจะดีใจเดอดีใจมากเลยตอนที่ผู้หญิงคนนั้นแก่ลงแก่ลงอยาให้พ่อแนะนำการทาวิปัสนาในฌานพวกกระสิ่นน เกษินไม่ค่อยไปเดินปัญญาหรอกเกสินออกนอกถ้าเราจะดูอย่างเดียวเลยก็ดูเป็นดูเป็นแสงอะไรไปเรื่อยๆมันออกนอกอ๋อที่เราเห็นนี่ออกนอกเลยนะ อ, อแสงมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ย อ, ยอดมาที่กายที่ใจเราสิเราไปดูอารมณ์กรรมฐานหนะ้าที่พระพุทธเจ้าให้อในสติปัฏฐานสี่อย่าเกินนั้นออกไปแล้วเราใสา่ทําความสมบงบได้อันนั้นได้อัน้นให้ทําความสงบนะ แต่ความสงบที่ดีเนี่ยควรเป็นความสงบที่เราสามารถต่อยอดมารู้กายรู้ใจได้เช่นเรารู้ลมหายใจํำลมหายใจก็สงบได้นะสงบได้แล้วจะทำให้ดูเนื้อมันก็สงบนะแล้วเราจะต่อยอดดูออกไหมดูได้ไหมง่ายเห็นไหมเนื่อถ้าจะเดินนิพพานต่อนี้อย่างนี้ออกมาดูกายเห็นมากายกระใจเนยมันคุลาอันเลย หรือจะดูความรู้สึกภายในจะเห็นมันเกิดดับไหวปั๊บปับไปนะในนี้ก็ได้แล้วลบภาพทุกอย่างออกไปเลยนะลบภาพพลังางานรู้สึกถ้าเป็ น, ปนสมาันเมืนะ่สมถัิเฉยๆถ้าจะเดินปัญญาก็าดูกายดูใจอย่างนี้ถ้าตัดทิ้งหมดเลยเอาความไม่มีอะไรก็จะไปอรูปฌาน ไปเองินไปเองไองไม่เป็นไรแต่ว่าออกมาแล้วกลับมาดูไกายนะเพราะใจจะไม่มีอะไรให้ดูว่างๆนะพยายามดูกายไปนะสมาธิก็สนุกดีเราออเล่นแต่เด็กๆนะชอบมากเลยแต่กอดเล่นอยู่22ฟีแล้วีก็ขึ้นมีปัสนาไม่เป็นหรอกไม่มีอาจารย์วนมาเจอหลงปุดุล น, นะอายุ29แล้วถึงเจอหลงปุดุล ทำสมาธิ อ, ย, ธอยู่ี่ส2ปีแอบไปคิดแล้วรู้สึกไหมใช่ครับเนี่ยใจหนีไปเรารู้เห็นไหมมันหนีได้เองนะในใจมีปีติเรารู้นะรู้เห็นไหมปีติก็ดับลงไปแล้วรู้สึกไหมเพ่งเรารู้สึกไหมเนี่ยรู้ทันอย่างนี้นะ ร, รู้ทันไปเรื่อยๆแล้วตองกายามปปีป๋าส ด, สดชื่นธรรมาดาไม่ได้ทำสมัะ ทำสมสถะเวลาเหนื่อยๆนะหน้าตาพวกเราไม่เป็นพวกทำงานหนักอะไรเท่าไหร่เลยถ้างานหนักๆเหนื่อยๆ น, นะต้องกลั้นลมหายใจกลั้นรงหายใจนะั้นจับความรู้สึกที่นิ่งๆว่างๆนะ่ยพักผ่อนอยู่ตรงนั้นสักแป๊บหนึ่งนะไม่ได้แรงเป็นวิธีทำสมสาธิแบบขี้โกู ทำได้ดีแล้วล่ะเ <S <S ห็นไหมจิตมันรู้ตัวมันมีปีติเห็นไหมจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสงสั ย, สยทราบไหมเออพูดมาอุตตเกินไปแล้วะครับถ้าเราจะดูการตีฆ่าของอารมณ์ไปเรื่อยๆได้ดูอะไรนะดูว่ามันให้ฆ่าอารมณ์ต่างๆของมันเองดูไปเรื่อยๆดูว่ามันทําเองได้นะดูมันทําเอง เดี๋ยวมันก็ยินดีในอะารมณ์นี้มันยินร้ายในอะารมณ์นี้รู้ได้อย่างนั้นนะดีแต่ถ้ามันไม่เห็นไม่ต้องหาถ้ามันเห็นนะเอก็รู้ออกนะไม่ต้องไปนั่งถามอ่ะยินดียังยินร้ายอันนะั้นฟู้งซ่านอันนะั้นฟะู้งซ่านนะนะนะคนที่เป็นลาบมาเนะยิ้แย้เท่งไปนิดนึงเหนแล้แน่นะนะรู้สึกไหม ที่แรกไม่เพ่งหรอกพอตั้งใจจะถามเลยเพ่งเลยสลั่งคนที่ผมอที่นั่งด้างหน้านี่เขาก็เพ่งเก่งนะคนนี้เออคนนี้ชอบเพ่งอยู่เนี่ยบเพ่งอยู่นะใจมันจะแน่นแน่ใจไม่เคลื่อนสวัสดีครับคุณเชอรินถามหลวงพ่อพว่าที่ที่ที่ได้ทาที่ผมทาอยู่นี่คือมัอน กูจะมีการปรับปรุงอะไรยังไงบ้างทำไปอีกนะครัทำมาแล้วเขาก็ล อ, อยอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเราตอนนี้บังคับมากไปรู้สึกไหมเราไม่บังคับมันนะแต่มั น, ตนเตืนเต้นบังคับธรรมดาห้ามไม่ได้หรอกใจไม่เข้าบ้านรู้สึกไหมใจไม่ถึงฐานฐานที่ว่านี่คือใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจไปอยู่ข้างหน้านรู้สึกไหมไปอยู่ข้างหน้าน เมื่อใจไปอยู่ข้างหน้าน้ำอยู่ข้างนอกแลเนี่ยหลวงปู่ดูลเรียกสรงจิตออกนอกนะมันไม่ย้อนมาดูกายดูใจไม่เดินปัญญาพยายามดูกายดูใจของคนนะจิตมันเข้าบ้านพอดีเป๊ะเลยมันถึงฐานพอดีเลย<ม>เป็นอย่างนี้มานานยังไม่กี่วันนะีงก็ต้อยย่างดีง <c oughs> หลวงพ่อฝึกได้ได้แต่เป็นโยมนะฝึกจิตสรงอยู่อย่างนี้ได้ตลอดทรง ครูบาอาจารย์เจอหลวพ่ออย่างหลวผู้สิทธิ์มันเจอหลวพ่อท่านเรียหลวพ่อว่าผู้รู้ใจเราแหละเป็นผู้รู้ไม่ใช่รู้หวยรู้เบอร์อะไรนะมารู้ตัวกลุ่มนี้ชอบเล่นอยู่คนนี้นะหัวเราะจริงใจมากเลยว่าไง หมดคำถามแล้วหรือครับก็ใจจริงก็แอยากอยากจะแค่รู้ว่าจะต้องปรับอะไรยังไงบ้างทั้งนั้นรู้รู้ฐานว่าจิตออกนอกนะถ้ามันยังค้างอยู่ข้างนอกก็กลับมารู้สึกร่างกายบ่อยๆเดี๋ยมันก็จะค่อยกลับเข้ามาลองดูจิตตอนที่เสพตูแล้วมันจะติีออกลองดูสิเนี่ยเคลื่อหนหัวละรู้สึกไหมสงสัยทราบไหมครับเออสงสัยผุดขึ้นมาหรือว่าสงสัยนะ เพ่งแนละ้วรู้สึกไหมมันจะเครียดเครียดแข็งแข็งึง้นไม่เพ่งนะสบายสบายแต่ว่ามันเพ่งไปซะแล้วละรู้อย่างที่เขาเป็นนะเพ่งอยู่รู้ว่าเพ่งเนี่ยคอยรู้สึกรู้สึกนะเดี๋ยวใจมันจะเข้าบ้านถ้าเราคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจบ่อยๆใจจะเข้าบ้านใจจะถึงฐานห้ใจไม่เข้าถึงฐานเนะี่ยเดินปัญญาไม่ได้จริงใจมนจะออกนอกฝุ่นนาสการเรียนถามหลวงพ่อค่ะ คออือระหว่าง<ม>จิตที่ถูกโปรแกรมว่าเอา น, นี้แยกก เ, เป็นการแยกกลับการแยกรูปแยกนามกับการคิดไปเองเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนของของของโยมตอนเนี้นะมันเริ่มแยกแล้วล่ะมันไม่ได้คิดเอาหรอกคิดเอาไม่ได้หรอกห้าคิดเอาใจจะแข็งทื่อๆไปหน่อยถ้ามันเป็นเองนะใจจะผ่อนคลายใจจะเบาเมีความสุขใจมันคลายออกแล้วรู้สึกไหม ีน้เห็นไหมกายกับใจคนละอันเห็นแล้วหลับความรู้สึกกับใจก็คนละอันนะ <c oughs> อาจดูไปถับถูกแล้วค่ะเราสภาวะบางบางครั้งอันนี้อาจจะเป็นการบ้านเก่านิดนึงเมื่ออย่างยมมักจะชอบฝึกตอนอาบน้ํา <c oughs> แล้วหลังๆนี้รู้สึกว่าตอนอาบน้ํานี้จิตมันลอยออกไปไหนก็ไม่ทราบไม่ไม่ไมีเป้าหมายนะคะแต่แล้วเขารู้ตัวอีกทีดึงกลับพอดึงกลับนี่มันเหนื่อย ออเ๋ย่าปล่อยให้มันลอยนะเดี๋ยวมันเคยตัวเดี๋ยวมันเคยตัวนะพยายามรู้สึกกรดุกติอะไรเนี่ยรู้สึกไปกวาดบ้านถูบ้านทํำไรนะรู้สึกไปได้ค่ือแม้แต่อาบน้ํายังใจลอยค่ะช่วงช่วหลังๆนี่เป็นนะคะมีวันนี้ดีหน่อยได้เจอลอยนึกว่าวันนี้ไม่อาบน้ำอาบน้าแล้วใจลอย ของคุณเพ่งมากไปรู้สึกไมมเป็นแน่นใช่ครับแล้วจิตที่ร่างกายมันไปหนแล้วร่างกายหายไปเล้วอไม่หายแต่ว่าเหมือนว่ามีนงอไปหมดเลออแล้วแหละถูกแล้วแล้วเสร็จเดินมาอีกครั้งนึงตรงหน้าบ้านกลังจะไปทางานเเที่ยผ่าอ้ไมจิตไปนรงตายเป็นโครงเป็เดินตรงแล้วจิตเหมือนจะร้องไห้สงสารด้วย แน่ถูกเนาคือมันเริ่มแยกขันแล้วกายกับใจแยกกันันแต่ว่าใจเนี่ยมันยังหัวกักายมากฟองมันแยกออกไปแล้วมัทนไม่ได้ร้องง่ายยังเสียดายอย้่ถึงที่ในวันหนึ่งก็ต้องทิ้งไปจะร้องไม่ร้องก็ต้องทิ้งเพราะง่หัดทิ้สซะก่อนไหนๆมันจะทิ้งเราเราที่มันก่อน รูกวันนี้มันมากอันนี้เพูดเรื่องกายกับจิตไม่ได้ริงอย่างอื่นนะร่างกายเนี่ยวันหนึ่งมันทิ้งเราเราทิ้งมันก่อนจิตแยกออกมาเราตอนแรกพุโทพุโธพุโธมาอยู่วันนึงแล้วร่างกายเป็นเป็นแสงสว่างเันแสงรีออตลอดเวลาทั้งวนทั้น่นของสมาธิ ในสมาธิแต kind of uh ่จ huh. ุดสาคัญอยู off. <off uh, ่ท so ี่เราเห็นว่ากายแลใจเนี่ยควรอันเดจุดสาคัญอยู่ที่ตรงนี้เคยได้ยินชื่อหลวงตาหาบัวไหมหลวงตาหาบวน่ะฟันโถงเลยนะว่าถ้าแยกธาตุแขันไม่เป็นนะ่ามาุยอวดเรานะความีปัสนาจเลื่อนปัญญานีไใช่ความวิปัสนาแต่ไม่ค่อยไอนไม่เราอธิเต็มเต็มเาไม่นใช่ไม่อนมากไปดีเพราะว่าคจะ ชิเป็นติสมาธิไล่รู้สึกที่ร่างกายให้มากขึ้นให้มันร่างกายเป็นร่างกายอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้ให้ใจมันเข้มแข็งขึ้นงั้นไม่จะเป็นหลงจิตอยู่ในสมาธิแค่เป็นแสงแต่ก็อยู่ราที่เดียวขอมาหาที่เดียวนานนาดนีต้องปรึกษาจิตแพทย์น ว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยมักจะแสบสรู้สึกที่ต่ำนะคะเป็นธรรมชาติที่เกิดก่อยสำหรับเยมมากเลยค่ะเมื่อไรลาโยมิตขึ้นแล้ลนะฮะไม่ได้ปล่อยตัวใหไ้ไหลไปไหนมาหรอกเดี๋ยวนี้ทความรู้สึกตัวมันก็มีขึ้นมาแล้วรู้สึกไหม เ, เดี่ยมาคุยย า, ง า, ยาง่งมาไหลยิ่งทัไม่ไหลหรอก เรามีสติเยอะเี่จะไม่ตกต่ำแล้วทันทีที่สติเกิดนะกุศลที่มีมันจะดับกุศลไม่ไม่เกิดทันทีที่เกิดสติะกุศลไม้เกิดเรียบร้อยถ้ากุศลจะเกิดบ่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆถ้าเราสติบ่อยๆแล้วเรามีสติบ่อยๆอย่างนี้ใจอยากพูดใช่ไหมใจมันจะตกมันจะพูดมันดันที่ปุ๊บเหมือนให้เรามาทันเห็นไหมมันอยากพูดได้เอง ต่อไปนี้ดูนะมันทางานได้เมันโลกได้เองมันโกรได้เอง น, น, นะชีโมโหไหมเป็ช้โหางไหมเป็ น, นบางค่นะนั่เป็นโร่มัโรธเพราะเรารลงทันนะมันนเหยินตังน้งคานเราเป็นคนที่ปัญญาไวฉลาดรวดเร็วรุนแรง น, นบงทีใคระช้าเราเราลงคานนะรงคานแม้ว่าเราก็รู้ทันนะใครทันจิต ใช้ได้คล้วนะลองนัอง้ดูเดไมงไม่ทราบเป็ในไดลูกสาวแต่พยายามครับลอเพ่ง ไ, นไปนดเดียวนะลองภาพจิตไปนะิดเดียวพอออกมาน่าจะติดนอนซื้อบกมาแล้วนั่งเล่นๆนั่ง ส, สบายๆถ้านั่งอ่อนคลยมากกว่าต่กี้นิดหน่อยนะก็ใช้ได้แล้ว ต่อไปจะไปเดินตัดยาจะเห็นความรู้สึกเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงไหนได้ค่ะแล้วก็มีบ่อยครั้งเนื่องจากเราอาจจะศึกษามากอย่างเงี้ยนะคะเวลาเรานั่งเราก็จะเราคูดว่าเราทำวิปัสสนาแต่อาจจะเป็นวิปัสนาวิปัสสนาวิปัสนาเป็นการเห็นวิสเห็นแจ้งเห็นถูกต้องวิปัสสนาก็คือการที่เราเห็นกายเห็นใจและแสดงไตรลักษณ์ ถ้าไม่เห็นอะไรล่เห็นนะไม่าด้คิดคิดแค่ว่ามิตกคัะนะแล้วก็นอกๆอกอย่างนั้นแล้วของของคุณจะเชือ่อชิตเออยู่ใช่ค่ะือเชื่อกันคิดค่ะจะ แ, แจะ้งจา้า <laughs> จลา้านีน <laughs> ่อย่างตัวโง่ค่ะอย่างต <laughs> ัวโง่นะแจ้งจ้าจ้านั้นะโดยที่เป็นโง่้โง่โสิว่าแง่ในนเลย แล้วจะเขียนไหมใจตอนนี้ใจธรรมดาใช่ค <c oughs> ่ะใจอย่างนี้ด <c oughs> ีใช้ใจธรรมดาอย่างนี้เลยเห็นหน้ากายใจหน้ากายยืนเดินทั่งนอนะ <c oughs> ใจที่มันผ่องผอย่างนี้นะคะใจธรรมดาใจอย่างนี้แหละที่เรียว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบกิกบานแต่ใจที่ซึ่งใช้ไม่ได้ <c oughs> แล้วทุกๆครั้งทุกเช้าหลังจากที่สวดมนต์และนั่งสมาธิแล้ว ม, มันจะมี ก, การปิติเกิดขึ้นมาบ่อยเวลาที่เรากลาวจะราบ้นะคะถ้าเป็นอย่างนี้เราจำเป็นที่จะต้องปล่อยให้มันเป็นไปหรือว่าไม่มไมมันมีติติร่วมมีปิติไม่ห้ามรับไมแต่ว่าต้องให้ปิติครอบใจนะอย่างนี้ปิติครอบใจเย่นนี้ไม่ยอมเลยก็ปล่อยก็ดูเข้าไปปล่อยดูเขาเกอดเองใช่<ด>ค่ะ เขาเกิดเองแล้วเขาก็ดับเองเออต้องดูหนังตาไปค่ของคุณน้ำปัญญามันแรงมันดูหนังตาไปแตป่อยากชิดนะเชื่อกัรชิดเยอะไปนิดนึงออคือตอนที่ฉันฟังเทคของพ่อครังแรกนะคะยอมปับเร็วให้ดูเรื่องไม่เข้าใจว่าหลวงพ่อเทศอะไร เป็นปกตินะค่ะไม่รู้เรื่องแต่ราดูเรื่องเนี่ยสมมตกตุ่มอใช่ค่ะแต่พอดิฉันเริ่มที่จะปฏิบัติแล้วก็ฟังซีดีของหลวงพ่อคุ้มกันไปก็เริ่มเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อพยายามบอกอะค่ะว่าสิ่งที่ท่านพยายามบอกนันคืออะไรดิฉันเห็นแล้วเขาว่าจิตที่เกิดและดับกัเป็นยังไง ไม่ได้คิดเองเห็นไม่ได้คิดเองหอเห็นเลยค่ะถูกนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธทุกสุขทุกอย่างมันมีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตามการกระทบที่เรากระทบเข้ามาถ้า ส, สติตามเข้าไปทันมันก็จะดับเองหอให้เห็นตรงนั้นเลยค่ะแล้วก็จะรู้แล้วด้วยว่ากายกับจิตนะอยู่คนละส่วนเกิดจากการนั่งสมาธิแล้วก็เห็นแล้วก็เห็นในชีวิตประจําวันที่ตัวเองป่วย ว่าตอนที่ตัวเองป่วยมากแล้วร่างกายมันปวดเมื่อยมากมก็เลยพยายามทำสมาธิพอทําสมาธิแล้วรู้สึกเลยว่าไอ้ที่เราเจ็บปว่วยที่ปวดมันหายไปมันอยคนละส่วน<ม>อันนี้ก็เห็นแล้วแล้วก็เห็นแล้ ว, ว่าจิตใจเราของแต่ละวันนะมันบังคับบัญช้างไม่ได้ ม, มันมีทั้งบางวันก็สุขบางวันก็ทุกข์<ม>บางวันตั้งใจจะเป็นคนดี<ม>ก็ทําไม่ได้ ข้าวันไหนควบคุมหรือมีสติได้วันนั้นก็จะเหมือนตัวเองเป็นนางฟ้าแล้วก็ขยันขึ้นทํานักมากขึ้นแล้วก็ชีวิตมีความสุขมากขึ้นแล้วเหมือนกับตัวเองมีเกราะป้องกันความทุกข์เห็นเลยตรงนั้นค่ะว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นก็จะเห็นว่าเหมือนตัวเราเนี่ยมีคนมาคอยบออในหัวว่าจะทุกไปทําไมจะร้องไห้ไปทำไมก็หยุดร้องไห้หยุดทุกข์เห็นตรงนั้นเห็นทุกอย่าง แต่คำถามที่ดิฉันอยากจะถามก็คือ mm hmm. การที่รู้และเห็นแบบเดิมๆซ้ำๆมาเป็นปีๆแล้วอะค่ะมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าย่มอยู่กับที่เหมือนเราจะไปต่อก็ไม่ได้คือเราเราอยายคิดตามมันนะไม่ได้คิดตามนนะบงทีเราเห็นสภาวะอย่างนี้นะมันก็รู้โลกหน้านะเดียวมันกด ใช่ค่ะเห็นเห็นเลยว่าความคิดที่เวลาเข้ามาเนี่ยบางทีมันพุดมาเหมือนก็ไม่มันพุ่มาปุ๊บแล้วมันก็ตัดไม่ทำให้ค่ดงงนะไม่เห็นเข้ามาแล้วส็ตัดเกิดตัดเกิดตัดไปดูไปเรื่องมันพอนะยังไม่พอใจยังฟุ้งเก็งอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าเห็นแบบเดิมๆซ้ำๆมาเป็นเวลานานก็เลยทําให้เกิดความไม่อยากทำและมันมันไม่กล้าหน้่แต่คําถามก็คือว่าทํายังไงที่ดิฉันจะสามารถกล้า ข้ามกระโดยผันดูถึงไปไม่ได้คือ <นะ S 2> เราเรียนกรรมฐานเนยคือ <ปะ S 2> การที่เราให้การศึกษาพระจิตจิตมันหนึ่งไม่ก้าวหน้านีเราสั่งมันไม่ได้หน้าที่เราคล้ายๆเรามีลูกคนหนึ่งมันเรียนเราสอบตกนะให้มันเรียนอีกเรียนซ้ำไปซ้ำไปนะจนมันเข้าเข้าใจตอนนี้มันยังไม่เข้าใจตอนนี้ทว่าทราบเป็นแซ่ทราบค่ะทราบหมดทุกอย่าง เรามีความรู้สึกว่าเหมือนอยากดีด้วยเหมือนใจก็คล้ายๆกับไม่ยอมปล่อยตัวเองด้วยนั่นแหละปัญหานะรู้ทุกอย่างเลย <c oughs> าทาไม่ได้ทาได้ก็เป็นอัตตาทําไม่ได้แล้ถูกแล้วก็ก็แสดงว่าก็เป็นอย่างที่ท่ทานบอกคือทุกอย่างบังคับไม่ได้ เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไป<ช>แค่นั้นจบเห็นสัตว์ว่ใช่เห็นไหมจิตไม่ยอมตรงนี้ใช่ค่ะจิตจะบังคับให้ได้ว่าอยากคือไม่มีโอกาสปันบุญใครเจอท่านดี <c oughs> ค่ะก็จะต้องอาวไม่ได้วันนี้ยค่ะถ้ารู้เราเราทำกรรมฐานเนี่ยนะเพื่อให้จิตมัเห็นความจริงว่าไม่มีอะไรที่อยู่ในอำนาจบังคับแต่ของคุณเนี่ยตอนนี้มันเกิดในมุมที่ว่าจะบังคับเอาให้ได้ งั้นเราไม่ได้ยอมรับความจริงเราไม่ได้ยอมรับธรรมะว่าสิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตาเราก็พยายามทําให้มันเป็นอนัตตาพยายามบังคับมันเราฝืนความจริงอยู่นะขนาดนี้งั้นเราพาไปดูไปเรื่อมันจะดื้อแค่ไหนเราว่ามันไม่ได้หรอเรื่องของจิตจิตไม่ใช่เรานะมันจะดื้อแค่ไหนก็ช่วยไม่ได้แต่พามันดูความจริงไปเรื่อยถึงวันหนึ่งมันจะจำนวนต่อข้อแท้จริง แล้วที่เขาบอกว่าถ้าปฏิบัติไปนานๆแล้วเหมือนเรามีตัวปัญญาอยู่ในหัวสมองะะอะค่ะบางครั้งบางเหตุการณ์ยมก็มีความรู้สึกว่าในหัวเรานะคะอย่างสมมุติว่าไปทะเลาะกับคนอื่นแล้วคนอื่นเขามาว่าเราถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะนั่งง้องไห้ไปอยู่พอทำท่าจะโมโหรู้ตัวโมโหสักพักหนึ่งสักครู่ก็จะมีเสียงบอกว่าถ้าเขาว่าเราผิดจบแค่นะั้นจบ เหมือนเราฉลาดขึ้นเหมือนเรามีเกราะป้องกันตัวมากขึ้นอันนี้ถ well> ูกต้องใช่ไหมครับไม่ได้คิดเองใช่ไหมล่ะไม่ได้คิดเองมันฉลาดขึ้นใช่ค่ะเหมือนฉลาดขึ้นเหมือนมีความฉลาดขึ้นอีกมาอีกคนนึงก็นี่ไงเราฝึกกประฐานนะสี่สมาธิปัญญาเราฝึกจนเราได้ปัญญาเราฉลาดขึ้นสิเราเข้าใจความเป็นจริงของโลกเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตมากขึ้นแต่เรายังไม่ยอมรับความจริงอย่างหนึ่งราให้จิตเป็นอนันตตา เราพยายามจะบังคับมันให้ได้อย่างที่ใจเราต้องการแล้วก็ยงังมึนอีกอยู่แข่งขึ้นหน่อยนะหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจเรารู้สึกตัวนะใจมันดีไหมนี่พยายามดึงกลับมาจึงไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องดึงหรอกแค่รู้สึกตัวบ่อยๆรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะใจมัจะได้อยู่กับตัวเอง น, น, นี้ใจมัดีวิชิตเก่งแล้วดีวิชิตนานนะ การพิพากษาการท่านค่ะมี่โยมปกติก็ไม่เคยได้อินหรือว่าได้รับฟังของหน้าที่ของท่านทีนี้ปกติโยมก็จะจ ะ, จะนั่งสมาธิในตัวถ้าโยมอ่านบทสวดหมดก็เพิ่งจะมาเริ่มนั่งสมาธิก็ ก, ก็ไม่นานนี้เองนั่งก็นั่งได้ไม่นานแต่ส่วนมากก็จะจ ะ, จะมีความรู้สึกว่ า, าจะเพ่งหรือว่าท่าน พวกหนึ่งใช้สมาธินำปัญญาทําสมาธิก่อนว่าจิตสงบแล้วนะออกจากสมาธิมามาดูกายดูกายเป็นหลักพวกหนึ่งใช้ปัญญานำสมาธิคือเจริญปัญญาไปเลยเห็นความเกิดดับเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกพวกนี้ใช้ดูจิตเนาะแล้วสมาธิเกิดทีหลังอีกพวกหนึ่งเนี่ยชำนาญในสมาธนะิแล้วชำนาญในการดูจิตก็จะไปเจริญปัญญาในสมาธิแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะ ของคุณเนี่ยจะเริ่มต้นได้สมาธินําปัญญาเริ่มไม่ได้เพราะใจจะฟุ้เก่งเลยต้องใช้ปัญญานําสมาธิเนพะือรู้ความรู้สึกรู้ความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆเห็นว่าความรู้สึกเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตาเรามองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนโอได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนใจคิดความรู้สึกก็เปลี่ยนด้ยอย่างนี้เรื่อยๆละสมาธิมันจะเกิดขึ้น ขอบค่ะค่ะพันจก็สงสัยเรื่องนิสัยครอบครัของตัวเองค่ะข้าไม่ได้หรอกเพราะว่าทุกครั้งมีโอกาสเจอปวนจันก็เดินกิจมาตรองค่าแล้วก็จะดึงทุกที่มันเจอปวนหลอกเนื้อส่นที่เคยเกิดนี้มันเมื่อกี้ที่หลวงพ่อพูดเรื่องเรื่องอารมณ์ให้เป็นนี้เลยอยากให้เป็นครอนําใจนะถ้าความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นให้รู้เข้าไปตรงๆเลยถ้าเรา ยอมแพ้มาแล้วกครอบงำหรอกดูเขาไปตรงๆเลยรูเลยว่านี่ยกำลั ง, ลงครอบครวนสวนวิญญาณล้างเอกอยู่ <c oughs> ครอมครวนดูเขาเลยเขาดตวเองเลยใจมันเข้มแข็งอย่างที่ที่บอกเรายอมขอการบ้านด้วยดูความรู้ส็จไปเลยนะความรูสนะกอะไร่นรู้นเข้าไปตรงๆเลยทได้ยู่ทําได้ดีด้วยขอบคุณการทางานมาก ก็เลยจะไม่ค่อยได้ปฏิบัติในรูปแบบของการนั่งสมาธิหรือดินจงกลรมแต่หนตั้งใจไว้ว่าจะปฏิบัติในขณะที่ทำงานสังเกตหรเปล่าวาตอนนี้สมาธิดี ไ, ดไหมก่อนค่ะดูสุดเลยค่ะเพราะการที่เราค่อยมีสติรูรร้อยู่ในชีวิต ธ, ธรรมด า, นนะ เ, าออนเนี่ยพี่หลวงพ่อบอกขยันที่นี้ว่ามันคือใช้ปัญญานําสมาธิเราดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจอยู่เรื่อยๆเนี่ยสมาธิมันเพิ่มขึ้นเพ่ๆขึ้นะ ตอนนี้สมาธิดีขึ้นดูออกไหมใจแจอยู่กันเนื้อตัวใจแจงตั้งมั่นมากขึ้นทําถูกเราเนี่ยแต่ว่าหนูจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคื อ, อยังเพื่อนร่วมงานเนี่ยค่ะคือปกติหนูจะดูกายดูดูใจขณะที่ทางาน<ม>ดูตามกายขึ้นไหวของกายเป็น<ม>หลักอะค่ะแต่บางครั้งจะจะหนูจะรู้สึกว่ามีเพื่อนร่วมงานบางคนที่ทํา จากมาทำให้อารมณ์เราเกิดบุญผิดแล้วบางครั้งเราเราคุมไม่ได้ค่ะมันคือเรารู้อะค่ะว่าเรามีโทสะขึ้นแล้วเนี่ยค่ะหนูไม่อยากให้มันเกิดอย่างนั้นบ่อยๆห้าไม่ได้เนี่ยสิงจะมีโทสะว่าห้ามไม่ได้นะเงี้ยแต่ว่าอย่าให้ผิดสีห้ามมีโทสะไม่ไม่จึงขนาดนั้นแต่ไม่ตอบคขาไม่ด่าเขาคือเราก็ไม่จําเป็นจะต้องดึงกลับมาแล้วเหมือนไปย้าอารมณ์ตรงนั้นไว้ย้ำเราเป็นสมถะ ไม่ใช่มีปัชนานะใช่หลักของห้ปัสนาใช่หลักที่พระเจ้าสอนดุขรักที่สูตรทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะก็แค่นั้นเองก็เห็นในโทสะเกิดแล้วก็ตัดไปจะเป็นห้ามมันไม่ต้องเป็นคนดีหรอกแต่ว่าห้ามช่วยเสียใจที่เกิดอารมณ์นั้นใช่ไหมคือมันติเราสั่งไม่ได้เราสั่งไม่ได้ตั้งใจจะไม่โกรธองโกรธตั้งใจจะไม่รักมันก็หลักได้จิตนี่เป็นของที่ห้ามไม่ได้ ขออีกคถามนะคะคือถ้านั่งสมาธิแล้วง่วงปกติหรือจะเป็นอย่างนั้นนะคะตั้งใจว่าจะไม่ขยับแต่แต่ว่าอยากจะขยับเพื่อให้เกิดอาการหายง่วงเนี่ยมันจะทำให้หลุดออกจากสมาธิอายุเท่าไหร่นะสี่สิบปีนี้ค่ะสี่สินี่พอสู้นะถ้าถ้า่สิบแปดห้าสิบอะไเนี่ย <c oughs> พยายามกระดุกกระดิกไว้ก <c oughs> <c oughs> ็นั่งเฉยเฉยเฉ่ยเหมือนเป็นธรรมชาติเรื่องของธรรมดา แต่ว่าสู้เอาหลวงพ่อแต่ก่อนแต่เป็นโยมนะทํางานอยู่สถาบันมันยมงาเครียดมากเลยงานหนักนอนกลางคือเราไม่นอนนานหรอกตื่นที่นีดเลยนะก่อนนอนกินน้ําเยอะๆเดี๋ยวจะได้ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําตอนลุกขึ้นมาเนี่ยจะงัวเงียงงัวเงยอย่างนี้นะไม่ไม่ยอมนอนนะตั้งใจไม่งัวเงี้ยนี้ต้องนั่งสมาธิไม่เดินด้วยถ้าเดินแล้วมันหายง่าย เพิ่มต้านใจนั่งจะหลับจะหลับไม่ยอมหายใจไปรู้สึกเพิ่มสติไปเลยต่อไปพอฝึกหลายวันแล้วนะก่เลยมันฉลาดนะมันกลัวเราภอวานานต้อรูปเราเรียนมวยเยียรเราไม่นอนเนี่ยมันกลัวพอวานานๆ น, นะพอตื่นเนี่ยจิตสว่างเหมือนเปิดสวิตไฟเลยปนะึ๊บเลยโอพร้อมจะนอนแนละ้นะดังนะั้นเดี๋ยวใฝึกนะแต่ถ้าอายุเยอะขึ้นแล้วนะ48 50ิห้อะไรขึ้นเนี่ยจะดูกระดิกไว้ คยูเฉยๆจะสึกเป็นธรรมชาติอ่นเนี้ยตอนนี้คิใช่ไหมคะเทคนบ่อยหมเออคิดหมเออถ้าบ่อยใช้ได้รู้ว่าไปไหนนิดอารูคิดไหนะกชอคิดอย่างแรงยนะค่ะแล้วเวลาคิดเนี่ยหุ้นมากเลยมันการคิดนะตัวเอแต่ไป่ไ้ใจแข็งเรู้สึกตัวบ่อยๆอย่าให้มันฟุ้ง เกิดรู้สึกนะนไม่นฟุ้งเฟ้อพยายามทำอย่างนี้ตีแต่ว่าตีขึ้นทั้งเดียวแล้วค่ะใช่รู้สึกมันสว่างขึ้นใช่เย็นลงด้วยอือถูกก็คือ ช, ช่วงหลังจริงๆได้ซีดีทา่านะอาจารย์มาเมื่อประมาณถ้านจำไม่ผิด3ปีที่แล้วนะคะพี่จ๋องเอาให้แต่ก็ไม่เปิดฟังเพิ่งมาเปิดฟังได้สักประมาณ ส า, สามเดือนได้นะคะ<ม>ก็ฟังครั้งแรกไม่รู้เรื่องส่งครั้งมไม่รู้เรื่องสามครั้งยังไงก็ไม่รู้เรื่อง<ม>แต่มาช่วงหลังเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันบางครั้งมันทิขเหมือนรู้อะคะ่ะ<ม><ม>แล้วก็โมโหจะบางครั้งจะรู้ก่อนว่าจะมองแง่บา<ม>งครั้งจะรู้อีกฉันจะมองแงแล้วนะ<ม>แต่บางครั้งเอาไม่อยู่ะคะ่ะมันมันไปเงินก็อยู่นะฝึกไปได้ <ละ S 2> สติสมาธิเราเข้มแข็งขึ้นต่อไปพอรู้ปั๊ขาดปั๊บเลยตอนตอนนี้เท่าที่ทําอยู่เนี่ยถูกถูกใช่ไหมคะถูกแต่หนูหนูมีรู้สึกว่าหนูยังขี้เกียจคือคือหนูยังขี้เกียจอะค่ะไม่ทำทุกวันขยานสิคือคือบางครั้งเราก็อยากแข่งแบมีชั้นทำมันจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่บางครั้งก็แบบโอ๋อที่โสไม่ไหวหลับไรยเงยชั้นนี่เขาไม่ได้อยากแข่งกับเรานะ เขารักล่าว่าอยากให้เรามีความสุขค่ะแจ้ว่าตอนนี้หนูทํานี้แล้วก็คือดูค่อยดูนะดูใจตัวเองดนะ้วย <C han> มันวนหินเก่งนะพอมันวนหินที่มาเรารู้ทันเหมือนเห็นรูทันแนละ้วพไปเราจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่เลย <C han> สามีจะทึ่งมากเลยค่ะค <C han> ่ะ <C han> <c oughs> หนูก็ถ้ามันถูกแบบนี้แล้วหนูก็คงจะไปเรื่อยๆคะ่ะแต่ก็คงจะช้าช้าฝึกสมาธิกับสามีด้วยก็ดี ไปนั่งได้กันใช่ไหมคะได้ไนั่งด้วยกันได้เพราะปกติสมาธิเขาดีนะค่ะสมาธิเก็ดีแต่ว่าถ้าจิตใจมันอยู่กับตัวเองได้ก็จะดีมากนี่บางทีาอใจสงบแล้วมันสว่าองออกไปข้างนอกอ ค, ค, คือปกติเขาจะนั่งในห้องทํางานหรือห้องพระแล้วหนูจะนั่งในห้องนอนเหรอคะอห้องนอนเนี่ยเป็นที่ ท, ที่นักก่งกรรมฐานมันจะแพงนะแต่ก็ ยิ่นั่งไปเนี่ยเราไม่ง่วงนะคะแต่แต่มันวูบ <laughs> ความรู้สึกมันไม่หลับค่ะแต่ว่ามันมันกึศแล้วเราแบบุอ้ยอะไรอย่างเงี้ยได้อยากให้มันวูบราเป็นสว่างเลยก็แล้วก <laughs> ันเมื่อคุณส่งกันม้านผมนเนี่ยปุ๊บไปแล้วสว่างบอกโอ้จีสว่างนะตามปุ๊บ <laughs> ทีเดียวสว่างเลยอย่างงั้นไม่ดีนะค่ะ <laughs> งั้นแค่นีคะ่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ ไม่ได้ใจว่าวิธีที่ถูกต้องสวดมนต์ก็ได้นะสวดมนต์แล้วก็รู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปสวดมนต์แล้ววันนี้ปลอดโปรงใจรู้ว่าปลอดโปรงสวดมนต์ไปวันนี้ใจฟู้งซ่านรู้ว่าฟู้งซ่างนะแล้วเวลาอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี้ยก็ ส, สวดมนต์ในใจก็ได้แล้วก็คอยรู้ทันความรู้สึกไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิจุดสําคัญอยู่ที่การรู้ทันความรู้สึกของตัวเองรู้บ่อยๆแล้วสมาธิจะเกิดขึ้น อย่างเช่นเนี่ยทุกวันนี้เหมือนจะยุ่งจนไม่ไม่มีเวลานั่งแบบ เ, เพื่อนเ พ, นเพนืเขาได้ปฏิบัติกันเลยถ้าใช้วิธีที่แบบเหมือนอยากร้างจานอยู่อย่างนี้ค่ะแล้วมีสามีมีเสียงมา ก, กวนแล้วเรารู้สึกว่าเราปล่อยให้เขาพูดไปแล้วเราก็ยังร้างจานโดยที่มทไม่สนใจเขาไม่ดีใช่ไหมไม่ดีแค่วิธีนี้เราร้างจานอยู่เขามากวนเราเราคาญรู้ว่าเราคัญ ไม่ตแจ้งทําไม่รู้องวิชีพทำใจเฉยให้ว่างเลยว่างเลค่ะเราต้องรับการตอบก่อไม่เรารู้ทันเลใจเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบต้องตัออไม่ต้ตัดนะให้รู้ทันความรู้สึกของตัวเองไม่ใช่ไปตัดแตงมันรู้ว่าเราไม่ชอบใช่ใช่ไม่ใช่แจ้งําไม่รู้วิชีพอย่าพูดกับผู้คนนรับความจริงรับความจิงเข้ามารู้ทันต่อรู้สึกนะเพื่อจะได้เห็นในความรู้สึกเท่าไรเกิดได้ก็ดำได้ ไม่ว่าจะสุขจะทุกข์จะดีชั่วนะเกิดระดับทั้งสิ้นหาตัวอย่างนี้บ่อยๆกรรมธรรมชาติ ค, คืองานที่โยมทำอยู่เนี่ยโยมก็ได้อาศัยคือสังเกตเพราะว่าทำงานกับคนแก่นะคะก็หลังๆนี้ก็เริ่มรู้ว่าพอพอเขากวเราก็เริ่มรู้สึกว่าลำคาญเริ่ม บางทีบางคนที่เร า, าก็อย่างบางคนที่เขาไม่ได้ด่าใจ ắng, ắng, เราเราเริ่มรู้สึกลำคาบน ะ, ะ <ắng. S 1> ย่ยยก็ก็ก็รู้สึกว่าเออการโดยจิตเราเนี่ยบางทีมันก็มันมันมัรู้สึกวมั น, ม น, ม น, ม น, นสนุกอ่ะความสนุกที่มันถูกไหยคะ <Sar> um. ไม่ถูกภาวนาวสนุกนะไม่ใช่ภานาแล้วเสียงค่ะก <_' nh. S 2> ็เริ่มก็เริ่มเห็นบเรื่องก็เริ่มเห็นมันก็ขำขำมากแต่บาเรื่องก็รู้สึก ทำงานแรงมากมากเเหน <c oughs> ื่อยอะไรอย่างนี้นะเ้วก็ทาสมาธิการสมาธินี่ยไปทแบบสมาธิดีโลกอย่างนั้น <c oughs> บริกรรมไปก็ให้เมตตาผู้นำระหังเมตตาของสมเด็จโตคนนี้ <c oughs> บริกรรมเล่เรืเป็นใจรอนบสบายนะ <c oughs> งานดูลคนแกน่นี่เป็นความจริงธรรมชาติเลยเพราะคนแก่มันไม่น่าดู <c oughs> <c oughs> ถ้าเรีเต่งพื่พอพน่าดูม <c oughs> ่้เรียนจะเห็นแต่สิ่ที่สุดซงลงไปได้ย ใจมเหีเ่ยวแห้งไม่มีความสุขเึงเจริญเมตตาไห้นะพนใจมีเมตตาเนี่ยเราจะมีความใจโอเต็มแจ่นะแต่ก็แต่ก็พอได้ดูแลคนแก่เนี่ยค่ะคือถึงได้ได้ศึกษาธรรมะเพราะว่าจริงๆแล้วยอมนัยยมนถือศาสนาคริสต์มาก่อนก็คือได้เห็นคนตายทุกวันทุกวันแล้วมันก็มันก็เลยเริ่มเกิดคำถามว่าว่า Harma, ชีวิตมันแค่นี้เองเหรออะไรแบบนี้ค่ะก็เทีละวล่ะแสดงว่ามีบุญเก่าคนไม่มีบุญบารมีนะมันไม่ค่อยถามหรอกไม่เห็นตายแก่ตายฉันยังไม่ตายเลรู้สึฉันเนยังไม่ค่อยตายหรอกแกตายคนเดียวก็รู้สึกเหมือนกันจ้าว่าพอเริ่มเข้ามาศึกษาธรรมะเนี่ยก็มีโอกาสได้พบครูบาอาจารย์ไ ได้ฟันธำมจากพระสงฆ์จากคารวะที่ที่ที่เป็นของแท้จ้าค่ะอย่าไปติดเพ่งก็แล้วกันค่ะเปนยางจะถามว่าหนูมีเอออยากเติบนเมื่มต้นมีชาติมาเต้นก็มาตรฐคือการเรียนรู้ตัวเองนะเราเริ่มต้นที่ตัวเราเองนี้เองคอยรู้สึกตัวให้ใจอยู่กับตัวเองใจไม่ใช่นีไปอยู่ที่อื่นทั้งวัน รู้สึกตัวบ่อยๆ้รู้ทันความ ร, รู้สึกไปเราจะเห็นความ ร, รู้สึกเนี่ยเปลี่ยนตลอดเวลาเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคือมุนอในใจเราคัดคุกบ่อยๆนะหัวใจเราจะขีดเราจะมีความสุขเคยชื่อหมวยไใช่บาท่านเฉพาะบาคนนะคะอืม กับแม่เลแทจะเรียกว่าแทบพยาบาทเลยคือบางครั้งเราหนูเขนับหนึ่งนะคะทุกท้วเกิดเขาไม่ือเขาถ้าเกเขายังนั่งกินก็จะหนีเลยค่ะเดนหนีไปเดินไป็นอมเดินหนีเดิหนีอีกว่าแต่ถ้าหูหัดภานาหนูเห็นใจที่ไม่ชอบอะต่อไปนะพอรู้สึกไม่ชอบมันจะแยกออกไปใจเราย่งมีความสุข ค่อยฝึกนะธรรมะมันไม่ได้จะจบเมืาอวัต้องคอยดีตลอดชีวิตหรอกจนบางทีท่านนี้ารย์่าบบว่าที่อาจารย์พูดว่าจิตใจจิตใจกับกับความรู้สึกจิตใจกับความคิดหรือความรู้สึกเหมือนอย่างนี้ก็ใจมันเป็นตัวเดียวกันเป็นตัวที่เติมฟูความรู้สึกจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์แต่อยู่ๆเราไปหาตัวจิตไม้เจอเราก็รู้ทันความรู้สึกไป็ได้เราก็จะเห็นเลย เวลามีความรู้สึกโกรธขึ้นนะคนทั่วไปก็จะรูสึกว่าเราโกรธแต่สําหรับน้าปฏิบัติเราจะเห็นว่าความโกรธเป็นสิ่งที่จิตไปรู้ครับจะมีคนหนึ่งเป็นคนรู้จิตนะั่นเ็นคนไปรู้ไม่ต้องไปหาจิตนะ ร, รู้ทันตอมรู้สึกที่เปเลเี่ยนไปได้แค่เก็ค่อยเจอจิตทีหลังอยู่ๆเป็นตัวจิตไม่มีจิตให้ดูหลวงป่ดูลย์เคสอนเลยบอกว่า ใช้จิตสวยหาจิตอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอจเจอเจอโรคแฝกก็ไม่เจอเจใช้จิตสวยหาจิตเหมือนใส่แว่นตาเกยแมาแว่นดันเลยตรงนี้แล้วหาแว่นไม่เจอเดิไปเสืั่วบ้านสี <c oughs> <c oughs> ่ก็อยู่ในตัวเราแล้วเราก็เที่ยวหาไปๆหาไม่เจอนี่เราคอรู้ทันความรู้สึกตัวจริงบ่อยๆพอเห็ตรวจขึ้นมาเรารู้ทันตอนปวดก็วก็รวดดับไปลราเห้นเลย ก้อควเป็นของแปลกลองเข้ามาเป็นสิ่งที่จิตไปรู้นี่อจงจเปนการบรจาคจิตเลยไหมพระอาจารย์ว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นคนนอนหลับยากนะฮะทีนี้สมัยนี้มีมีซีดีดีวีดีของของพระเยอะ ม, มากเลยนะฮะบางท่า น, น, นก็ท่านก็ไดอฟังแล้วก็มีความสนใจอันี้ <c oughs> เราเผลอหลับไปไม่ได้ฟังจนจบเราแล้วตื่นตื่นตื่นมาฟังต่ออหรือว่าไม่ได้ตื่นมาอีกแล้วแล้วมาหลัาเราฟังอีกไม่ปั๊ปอะค่ะไม่ปั๊บเนาเราเจตนาฟังให้หลับฟังแล้วหลับเรียกบรรลุวัตถุประสงค์แต่แต่ก็ฟังไปก็เข้าใจเข้าใจเป็นอันที่เผลอหลับไปที่มาหลับก่อก็เปิดฟังอีกใช่ทำได้ครับเด็เกิดดีกว่าไม่ฟัง หลวงพ่อเนีฝึกตัวเองมาวาใช้เวลาเนี่ยในการปฏิบัตินีให้มากอยู่กรูบาอจารย์เนี่ยเข้าไปหาพรูบาอจารย์เนี่ยเข้าไปเรียนเรียนเสร็จแล้วบอกมาพอนา น, ะไ น, าานะไม่ได้ยุงง่งอยู่กับอาจารเงันเลยไม่เคยฝึกทุกสิ่ง์ข้มาจ้องแจ๋อยู่หลวงพ่อทั้งวันเนี่ยไม่มีนะลูกสิษยต้องช่วยเองไม่ได้ลูกศิษยต้องเข้มแข็งเตรียมไปจะเป็นพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกให้ช่วยตัวเองแล้วกไม่ต้องมาคอย เทคแกรมากมายเอาเอาใจอะไรน ะ, จะเจ้าใจหลวงพ่อมีอยู่ทางเดียวคือภาวนาภาว น, นานะพ้นทุกข์ไปได้แ ล, ล้วแหละหลวงพ่อผ่อนใจ <S <S 1> <S 1> เมื่อ จ, จัดงานไดน้อย่างนี้ก็ดีแล้วเนเธอร์แลนดคนน้อยประเทศประเทศนี้คนไทยมีไม่มากแต่เป็นประเทศที่น่าอยู่นะหลวงพไปดูมาหลายประเทศที่นี่น่าอยู่ดิออนไลน์ก็ไม่มาก มีพอสมควรบางประเทศนะว่าผู้รายเยอะเหลือเเป็นคนมาจากฝรั่งเศสเล่าให้ฟังโอ้มันประเภทรว ก, กระเป๋านะมันรอบรอบหน้ารอบหลังคนนี้ก็รวบคนนี้ก็รวบโอ้โหกระเเ๋ามีอยู่ใบเดียวมีรื่องเด็ดดียชวนี้ น, นะก็ชีวิตเราสงบสุขชนโอกาส ที่ยังสงวงสุขอยู่ตอเนี้นะภานาครับต่อไปในอะนาคตไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นคนบ้าในโลกนี้จะมีอยู่ได้เสมอนะที่อยู่ๆพวกมันลุกลามเอาเฉยๆก็มีในปวดสารใช่ไหมทนลายชาวเอาเฉยๆไล่ฆ่าเอาเฉยๆก็ทําได้เราไม่รู้หรอว่าอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นแต่เราต้องมีความพร้อมที่ว่าถ้าเราเป็นอะไรไปตอนนี้เราก็ไม่เสียได้ดีหล่ง แล้อย่างน้อยเราพอนาให้เป็นชื่อตัวเองได้ได้วันหนึ่งอาจจมีพวกคลั่งชาติอะไรขึ้นมาพวกนี้ดำๆเอาไว้ไม่ได้อะไรขึ้นมาไม่แน่นี่นะในโลกนี้มันมีแต่ความไม่แน่นอนเราต้องอยู่กับความไม่แน่นอนนะด้วยจิตใจที่มั่นคงใหได้ถ้าเรามีธรรมะสักอย่างเดียวนะเราจะอยู่กับความไม่แน่นอนได้อ ย, ย่างสบาย เพร า, เรายอมรับว่ามไม่ได้นอนได้คนที่มีความทุกข์มากเนะี่ยเพราะเขายอมรับสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ไม่ได้อย่างเขาแก่เขยอมรับไม่ได้เขาก็ทุกข์นะเขาไม่สบายก็ยอมรับไม่ได้เขาก็ทุกข์อย่างผมงอกขึ้นเส้นแรกเนะี่ยทุกข์มากเลยรู้สึกไหมโอ้ยตรอมใจเออเส้นที่ห้าร้อยก็ชักเฉยเฉยถ้าไม่เฉยอ่ะผมงอกเยอะกว่าเขาแต่เฉยเขายอมรับได้อนะ่ะ จะแก่แล้วช่วยไม่ได้เลวยวเงินที่เรามีความทุกข์มากนะเพราเราอยอมรับสิ่งที่กําลังเป็นอยู่ไม่ได้แต่ถ้าใจมันฉลาดมันรู้ความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวมันอยอมรับทุกสิ่งได้ความสุขเกิดขึ้นเราก็ไม่หวั่นไหวเพราะความสุขจะหายไปเพราะเรารู้ว่ามันของชัวคราวความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ไม่หวั่นไหวเรารู้ว่ามันของโชัวคราว แต่ถ้าเราไม่รู้จักธรรมะตัวนี้นะความสุขเกิดขึ้นบางทีความสุขยังไม่ทันหายไปเลยเราเสียดายแล้วรู้สึกไหมกลัวมันหายกลุ้มใจแล้วกลัวความสุขนี้จะผ่านไปทุกข์ละนะเรายอมรับความจริงไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนให้เรามาดูความจริงของชีวิตนะความจริงของกายความจริงของใจจนมันเริ่งใจมันเข้าใจความจริงของชีวิตเข้าใจความจริงของโลกว่าตัวอย่างนีของพวกเรา ถ้าใจยงรักมาตัวอย่างมีของชั่วคราวต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใจจะไม่หวั่นไหวละ้ะเพราะมันของชั่วครายังมีสามีอยู่นะมันในสามีทิ้งไปใจก็ไม่หวั่นไหวนะนึกถึงความดีของแต่ที่อยู่ด้วยกันมาเขาก็เคยดีกับเรานะเป็นช่วงชีวิตที่เรามีความสุขอยู่แล้วนะเป็นกาไรชีวิตมาช่วงหนึ่งละต่อไปมีปัญหาสามีเกิดตายไปยนะใจก็ไม่หวั่นไหวนะก็อยู่ของเราได้ ฝึกนะ้ชีวิตเร า, าังมีหลักประกันวันนี้พอสมควรแล้วนะเนดะีวลพ่อไปนะตามตาของหลวงพ่อไม่ทํางคอยโหคอยเกลียแก่นะถ้าเวลาไปพาอนาจะเอาใจหลวงพ่อทำได้อย่างเดียวพาวนานะสู้นะสู้เอาเอาพ่วาอัญจรีอะไรก็เอาพ่พวกเราขอรวรวมจิตนะคะ <c oughs> <c oughs> เคารพในพระธรรมที่พระอาจารย์ได้มอบให้แล้วก็ขอตั้งจิตปฏิบัติบูชาให้ไปค่ะแ้เดชาถุสาเถรนะอธิกฐับพระอาจารย์พร้อมๆกันนะคะอัญชลีพี่ว่า